มีใครอยากจะถามอะไรไหมใครสงสัยอะไรอยากจะรู้อะไรผมผมอยากจะรู้วิธีซ้อมซ้อมตายครับวิธีซ้อมตายเลยครับไปซื้อลงศพมั้งสิในกานอนลงศพ น, นทะทีนี้ผมเวลาผมลองปฏิบัติคือว่าผมจะงง <c oughs> เวลาผมร้อมปุ๊บมันจะมุดที่สมาธิอย่างเดียวครับมันจะสลับไปเรื่อยครับ มันไม่ได้ซ้อมตายซ้อมตายต้องทําแบบคนตายอยู่แบบคนตายคนตายเวลาไปด่าเขาเขาเขาเดือดร้อนไหมคนตายเวลาเขาด่าเดือดร้อนไหมต้องต้องอยู่แบบคนตายก็ก็คิดว่าเวลาคนเขาตายแล้วเขาโลภหรือเปล่าเขาอยากได้เงินทองหรือเปล่า พขอยากได้แฟนอยากได้เข้าของอยากได้บ้านอยากได้อะไรหรือเปล่าคนตายไม่ต้องการอะไรใช่ไหมเพราะคนตายเนี่เรียบร้อยที่สุดให้นอนตรงไหนก็นอนตรงนั้นไม่ดื้อไม่อะไรเลยร่ามตายก็คือเนี่ยให้เราอยู่เฉยๆไม่ต้องไปทําอะไรทําเฉพาะ ดูแลร่างกายนี้ให้มันถึงวันตายเท่านั้นเลี้ยงร่างกายอย่างเดียวส่วนอย่างอื่นไม่ต้องไป <c oughs> ไม่ต้องไปมีไม่ต้องไปทำเพราะคนตายเขาก็ไม่ทำอะไรใช่ <c oughs> เดี๋ยวตายทำไปตายไปก็หมดอยู่ดีใช่ไ <c oughs> ได้มาเท่าไหร่เดี๋ยวก็หมดใช่ไห <c oughs> คนตายเอาอะไรไปได้หรือเปล่า <c oughs> คนตายเอาแฟนไปได้หรือเปล่าเอาสมบัติไปได้หรือเปล่าเอาบ้านเอาอะไรไปได้หรือเปล่าเอาไปไม่ได้คนเราท่านบอกว่ามาตัวเปล่าเปล่าแล้วก็ไปตัวเปล่าเปล่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราเนี่ยร่างกายเป็นของขวัญที่เราได้มาจากพ่อแม่พ่อแม่เป็นคนทำของขวัญ น, นี้ให้กับเรา เราเป็นดวงวิญญาณที่หาที่ไม่มีร่างกายต้องใช้ร่างกายเหมือนคนที่ไม่มีรถคนที่ไม่มีรถก็ต้องไปที่โรงงานผลิตรถยนต์หรือไปที่ร้านขายรถยนต์เพื่อไปซื้อรถยนต์พอมีรถยนต์แล้วเราก็ขับไปไหนมาไหนได้ เน่ยร่างกายเป็นเหมือนรถยนต์เราเป็นดวงวิญญาณที่ร่างกายอันเก่าของเราตายไปดวงวิญญาณนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายดวงวิญญาณนี้เลยต้องไปหาร่างกายอันใหม่เหมือนรถถ้ารถเก่าเราพัง ช, ช่วงนี้ไปเทศกาลสงการเกิดรถพลิกคว่ำพังเนี่ย แต่เราไม่เป็นอะไรเราเป็นหนังเหนียวอพอรถใช้ไม่ได้เราจะทำไงล่ะต้องไปหาซื้อรถใหม่หรือเปล่าใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเราอย่างยังอยากไปไหนมาไหนอยู่ยังอยากไปนู่นอยากมานี่ยังอยากไปทำนู่นทานี่อยู่ก็ต้องมีรถยนต์เป็นเครื่องมื อ, อดวงวิญญาณของเราก็มีความอยากเหมือนกัน อยากดูอยากฟังอยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่นอยากสัมผัสอะไรต่างๆผ่านทางร่างกายเราก็เลยต้องไปหาร่างกายอันใหม่เวลาที่ร่างกายอันเก่าเราตายไปเราไม่ได้ตายเราเราคือดวงวิญญาณเนี่ยไม่ได้ตายไปกับร่างกายดวงวิญญาณนี้ก็เลยไปไปตามบ้านต่างๆที่เขาเพิ่งแต่งงานกันเนี่ย ไป้ไปรอรับของขวัญจากพ่อแม่คนใหม่เดี๋ยวพ่อแม่เขาแต่งงานกันเขาก็ผลิตร่างกายอันใหม่พอเขาผลิตขึ้นมาใครใครมาใครมาก่อนก็เอาไปก่อนอหรือจะเรียกว่าจับฉลากก็ได้ใครจับฉลากได้ก็ไปเอาไปเหมือนกับเวลาเราขับรถไปหาที่จอดรถเนี่ยเราเลือกที่จอดรถได้หรือเปล่ บางทีเลือกไม่ได้แล้วก็ขับไปเรื่อยๆมีช่องไหนว่างแล้วก็เสียบเข้าไปอันนี้ก็เหมือนกับดวงวิญญาณของเราก็เวลาไม่มีร่างกายเก่าเราก็ล่องไปหาร่างกายอันใหม่อาจจะไปโผลทวีอเมริกาก็ได้ทวีปยุโรปก็ได้ไปเมืองจีนก็ได้ไปอฟริกาก็ได้แล้วแต่จังหวะ ไปเจอที่ไหนไม่มีใครเขาไม่มีใครเขาเอาร่างกายอันนี้เราก็ไปเอามันถ้าไปล้วไม่ทันเขาเขาจอดเขาได้ไปก่อนก็ต้องเลื่อนไปเหมือนหาที่จอดรถดพอเราจะเลี้ยวเข้าไปหน่อยอีกคันเขาเลี้ยวเข้าไปก่อนแนละ้วถ้าอย่างงั้นก็ต้องไปหาช่องใหม่หาช่องจอดรถใหม่เนี่ยคือวิญญาณคือเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นร่างกาย เราเป็นผู้ใช้ร่างกายเราเป็นผู้สั่งร่างกายให้ทำอะไรต่างๆเช่นวันนี้เราก็สั่งให้มันมามาวัดคนสั่งไม่ใช่ร่างกายคนสั่งกับร่างกายเป็นคนละคนเหมือนกับคนขับรถกับรถเนี่ยเป็นคนละคนกันรถนี้มันรอรับคำสั่งอย่างเดียวมันสั่งตัวเองไม่ได้มันต้องให้มีคนสั่งให้สตาร์ทรถให้วิ่ง ให้จอดให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาร่างกายนี้ถ้าไม่มีดวงวิญญาณมาคอยสั่งมันก็นอนเหมือนคนตายใช่ไหคนตายนี้ไม่มีดวงไม่มีดวงวิญญาณละคนสั่งไม่อยู่ในไม่ได้ไม่ได้อยู่ในร่างกายแล้วไม่ได้สั่งไม่ได้ขับร่างกายร่างกายก็เลยไม่มีใครสั่งก็ต้องจอดอยู่ตรงนั้นล่ะนี่คือ เรื่องของร่างกายกับเรื่องของเราที่เราไม่รู้กันว่าเป็นคนละคนกันเราคิดว่าเป็นคนเดียวกันเราคิดว่าเราเป็นร่างกายแล้วเราก็คิดว่าเวลาร่างกายตายเราก็ตายกับร่างกายเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บเราก็คิดว่าเราแก่เราเจ็บแต่เราไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายแต่เราไม่รู้กันเราโง่ ไปคิดว่าร่างกายเป็นเราก็เลยเจ็บไปกับร่างกายเวลาร่างกายแก่ก็แก่ไปกับร่างกายเวลาร่างกายเจ็บก็เจ็บไปกับร่างกายเวลาร่างกายตายก็ตายไปกับร่างกายคือคิดไงคิดว่าตายคิดว่าเจ็บคิดว่าแก่แต่ใจไม่มีแต่ใจไม่ใช่ร่างกายเพียงแต่เป็นผู้ผู้รู้ผู้คิด ผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเท่านั้นเองที่ต้องมีร่างกายก็เพราะว่ า, ายังมีความอยากดูอยากดูก็ต้องมีตาอยากฟังก็ต้องมีหูอยากลิ้มรสก็ต้องมีลิ้นอยากดมกลิ่นก็ต้องมีจมูกอยากสัมผัสอะไรต่างๆหนาวเย็นแข็งนุ่มก็ต้องมีร่างกาย ไว้สัมผัสเนี่ยนี่แหละทาให้เราต้องมีร่างกายกันเราไม่ได้เป็นร่างกายแต่เราอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือเหมือนรถยนต์ล้อที่เราอาศัยพาเราไปไหนมาไหนเวลาเรามีรถยนต์นี้เรามีความสุขไหมจะได้ไปเที่ยวแล้วอยากจะเพียรเที่ยวไหนก็ไปอยากไปที่นั่นที่นี่ก็ไปได้ พอเรามีร่างกายเราก็มีความสุขกันโดยเฉพาะเวลาที่ร่างกายมันเจริงเติบโตนี่มันไม่ค่อยมีอาการเจ็บปวดต่างๆแข็งแรงสามารถตอบสนองความต้องการของเราได้อยากจะให้ทำอะไรมันก็ทำให้อยากจะกินเท่าไหร่ก็กินได้แต่พอมันเริ่ม แก่ลงนี่มันเริ่มมีปัญหาแล้วเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้กินมากก็ไม่ได้แล้ะเคยกินอะไรมากๆก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาไปหาหมอหมอก็บอกว่าต้องลดละลดน้ำตาลลดไขมันลดอะไรต่างๆทีนี้มันก็เลยทำให้เราผิดหวัง เพราะความสุขของเราอยู่ที่การกินการดูการฟังการทําอะไรผ่านทางร่างกายแต่พอร่างกายไม่สามารถทําตามที่เราต้องการได้เราก็ทุกข์เพราะว่าเราอยากเพราะเราอยากแล้วไม่ได้ทําเราก็ทุกข์กันอันนี้นี่คือปัญหาของพวกเราคือความอยากความอยากทําให้เราทุกข์เพราะ เราไม่สามารถทำในสิ่งที่เราอยากทำได้ไม่สามารถได้สิ่งที่เราอยากได้เราก็เลยทุกกันเราจึงไม่อยากแก่กันไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากตายกันแต่ร่างกายมันเป็นสิ่งที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เราไม่จำเองชาก่อนเราก็มีร่างกายที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย พอมันตายแทนที่จะเข็ดผมไม่เอาแล้วร่างกายเดี๋ยวไปหาร่างกายใหม่ก็ต้องเจอความแก่ความเจ็บความตายอกีกมันก็ไม่เข็ดมันลืมพอร่างกายอันเก่าตายไปก็ไปหาร่างกายอันใหม่พอเกิดใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่ก็ดีใจเวลาเกิดมาใหม่ๆตอนเป็นเด็กนี่มีแต่ความสุขนะไม่มีการไม่มีความเจ็บปวด เจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีความยุ่งยากเหมือนกับตอนที่แก่ที่เจ็บเนีมันก็สนุกตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวนี่สนุกอยากจะทำอะไรก็ทำได้อยากจะไปไหนก็ไปได้มีความสุขไปก็เลยลืมลืมความแก่ความเจ็บความตายมัวแต่คอยหาความสุขจากร่างกาย แต่ร่างกายมันก็ค่อยๆแก่ลงไปี ล, ล่าแรกเทละน้อยแล้วเราไม่คอยเตือนเราเราก็ไม่ได้คิดว่ามันแก่แล้วพอถึงเวลาขึ้นมามันพอมันเริ่มแก่ขึ้นจริงๆเลยตกใจเละพอเห็นผมเริ่มหงอกนี่ตกใจแะหนังเริ่มเหี่ยวนี่ตกใจแล้วคือ หนังที่เคยละเอียดขาวเดี๋ยวนี้ก็ต่อไปก็มีฝ้ามีอะไรมีกะมีอะไรโผล่ขึ้นมานี่แหละเป็นธรรมชาติของร่างกายมันดีครึ่งหนึ่งดีดีตอนที่มันจะริญเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วมันก็จะไม่ดีตอนอีกครึ่งครึ่งหลังครึ่งแรกดีเหมือนฟุตบอลเนี่ยครึ่งแรกนี้ทีมเราบุกยิงเตะเข้าตปะตเต็ตมเฮกันใหญ่เชียกกันใหญ่ แต่พอครื่องหลังนี่ตดนเขาบบกอย่างเดียวยิงประตูไม่ได้เลยมีแต่เขายิงเราละทีนี้ <c oughs> พอเข้าสู่วัยชราเนี่ยเราอยู่ครึ่งหลังของชีวิตและ้ะ <c oughs> ทีนี้ก็มีแต่ความเบื่อหน่ายเสงจะทำอะไรก็ทำไม่ได้ไมีแต่ต้องไปหาหมอหาเลหายาไปโรงพยาบาลไปรักษาตัวไปอะไรต่างๆวุ่นวายไปหมด แล้วทำยังไงรักษาไงมันก็ในที่สุดก็ต้องตายไปพอตายไปสิ่งต่างๆที่เราหาได้ในโลกนี้ก็เป็นของคนอื่นไปมรดกทรัพย์สมบัติก็กลายเป็นมรดกไปของลูกของหลานของใครก็แล้วแต่ร่างกายก็เป็นของสับเปลเลยไปแล้วเราก็ไปรอบใหม่ พอไม่มีร่างกายเราก็ออกไปเข้าคิวไปรอรับร่างกายอันใหม่ช่วงที่รอรับร่างกายอันใหม่ก็เป็นช่วงที่เราจะต้องเจอผลบุญผลบาป ก, กันเพราะในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เวลาที่เราอยากได้อะไรบางทีเราก็ต้องทำบาปเพื่อที่จะได้สิ่งที่เราอยากได้หรือว่าถ้าเราทำอะไร โดยไม่ต้องทำบาปแล้วเราโชคดีทำทาได้มากเช่นหาเงินหาทองหาได้มากเราก็เอาเงินนี้ไปแบ่งให้คนอื่นใช้ก็เรียกว่าเป็นไปไ ป, ไปทำบุญแต่ถ้าหาเงินไม่พอใช้บางทีก็ต้องไปขโมยไปโกงไปหลอกลวงอันนี้ก็จะทำให้ไปทำบาปหรือทำอาชีพสุดจริตอาชีพที่ไม่ทำบาปแล้วมัน มันไม่รวยก็เปลี่ยนอาชีพไปทำอาชีพที่มันทำให้รวยเร็วเช่นค้ายาเสพติดค้าสุรายาเมาค้าปเวนีอะไรต่างๆเหล่านี้ชีวิตก็ไปทำบาปการทำบุญทำบาปมันมีผลต่อดวงวิญญาณเวลาที่ไม่มีร่างกายเราจะเห็นผลของบุญแบาปตั้งแต่เรายังไม่ตาย ตอนที่เรานอนหลับนี่ก็เป็นตอนที่ดวงวิญญาณไม่ได้ใช้ร่างกายใช่ไหมเวลานอนหลับร่างกายนอนอยู่เฉยๆเหมือนคนตายไหอแต่ดวงวิญญาณมันไม่ได้อยู่เฉยๆมันฝันใช่ไหมมันฝันดีบางทีก็ฝันดีบางทีก็ฝันร้ายเวลาฝันร้ายเนี่ยบาปมันเป็นตัวทําให้ฝันเพราะอะไร เวลาเราทำแบบํำบาปแล้วก็เหมือนกับเราเอากล้องมือถือตงค์นี้ไปถ่ายเห็นไหมเดี๋ยวนี้กินข้าวก็ถ่ายอกินข้าวก็ถ่ายรูปไปซื้อเสื้อผ้าก็ถ่ายรูปไปเดินชอปปิ้งที่ไหนก็ถ่ายถ่ายมันไปทุกแห่งเนี่ยใจเราก็ดวงวิญญาเราก็เหมือนกล้องเนี่แมีตาเนี่ยตาเราก็เห็นหนู่นเห็นนี่หูก็ได้ยินเสียงอะไรมันก็บันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่เราทําในแต่ละวันไว้ พอตอนงคืนมันก็เอามาฉายเราดูถ้าเราทําดีมันก็มีแต่เรื่องที่ดีโผยให้เราดูถ้าเราทําบาสมันก็มีแต่เรื่องที่ไม่ดีโผยให้เราดูอาจจะไม่เป็นเรื่องบาปอาจจะเป็นเรื่องปัญหาต่างๆไปมีเรื่องมีราวกับคนนั้นคนนี้ทะละวิวาสกับคนนั้นคนนี้แก่งแย่งชิงดีกัดกันด่ากันว่ากันมันบันเทิงกันให้หมดหรือเปล่าใจของเราเนี่ย บันทึกเหตุการณ์เหล่านี้ไว้ในใจเราแล้วพอตอนที่เรานอนหลับมันก็มาฉายให้เราดูถ้าเราไปบันทึกเหตุการณ์ดีมันก็จะฉายใช้มันก็จะฉายหนังให้เราดูหนังดีดูแล้วมีความสุขถ้าเราไปถ่ายเรื่องเหตุการณ์ที่ไม่ดีเวลานอนหลับมันก็ฝันร้ายนี่แหละนี่คือดวงวิญญาณตอนที่ไม่มีร่างกาย เมื่อไม่มีร่างกายมันก็เลยต้องอาศัยความฝันนี้มามามาให้เป็นเครื่องบันเทิงใจมันชอบบันเทิงใช่ไหมชอบดูหนังฟังเพลงกันชอบเที่ยวกันเวลานอนหลับมันไม่มีร่างกายมันก็เลยต้องใช้เหตุการณ์ที่มันบันทึกไว้เหตุการณ์ที่ได้ไปทําไว้มาฉายให้มันดูนี้มันดันไปบันทึกเหตุการณ์ไม่ดีมันก็ได้ดูหนังไม่ดี หนังผีหนังน่ากลัวหนังหนังบูหนังฆ่าฟันกันยิงกันอันนี้ก็เพราะเราตอนที่เราไปถ่ายหนังนี่มาเองเราบูเองใช่ไตอนที่เรามีชีวิตอยู่บางทีก็บูกับคนนั้นบูกับคนนี้ใช่ไหมด่าคนนั้นว่าคนนี้ตอบตีคนนั้นอันนี้ก็มันบันเทิงไปหมดแต่บางวันเราใจพระใจดีโอ้ยพาเพื่อนฝูงไปเลี้ยงจัดงานเลี้ยง ซื้อข้าวซื้อของแจกคนนั้นจากคนนี้วันนั้นเราก็บันทึกเหตุการณ์ที่ดีเหตุการณ์ต่างๆนี่ที่เราทำว่านี่มันอยู่ในเหมือนเครื่องคอมอ่ะเครื่องคอมเนี่ยมันเครื่องในโทรศัพท์ ม, มือถือเนี่ยที่คุณใช้กันอยู่เนี่ยมันบันทึกไว้หมดเชื่อไหมคนส่งข้อความไปให้ใครด่าใครว่าใครชมใครมีความลับมากน้อยเท่าไหร่มันอยู่ในนั้นหมด ถ้าใครเนี่ยคนคนไหนเก่งเขก็สามารถไปแกะออกมาดูได้อันนี้ก็เป็นการเหตุการณ์ต่างๆที่เราทํากันอยู่ในแต่ละวันนี้มันถูกเก็บไว้ในใจเราหมดแล้วเวลาที่มันไม่มีร่างกาย เ, ยเวลานั้นเวลานั้นเหตุการณ์ต่างๆมันก็จะโผล่ออกมาเพระฉนั้นช่วงที่เราช่วงที่ร่างกายนี้ตายไปเวลาเราไปรอรับร่างกายใหม่ไปเข้าคิวเนี่ยเราก็ อยู่กับความฝันไปอยู่กับความฝันดีกับความฝันไม่ดีความฝันไม่ดีก็เราก็เรียกว่าเกิดจากบาปที่เราทำเราก็จะฝันแต่เรื่องที่ทำให้เรามีแต่ความทุกข์ต่างทุกข์เพราะความโลภความอยากกเ็เป็นเปรตทุกข์เพราะความกลัวก็เป็นนสุนลกาย ทุกความทุกเพราะความโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทก็เป็นนรกเนี่ยตอนนั้นเรากำลังดูหนังหนังมีอยู่สามชนิดให้เราดูหนังผีหนังน่ากลัวสหนังหนังโลภอยากได้หิวโหยแล้วโกรธเกลียดมีหนังสามชนิดหนังหิวก็เรียกว่าเปรตหนังกลัวก็เรียกว่าสูญลกาย หนังโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทก็เรียกว่านรกแล้วถ้าถ้าไปร อ, รอคิวอาจจะต้องไปรอรอคิวที่ไม่ใช่ของมนุษย์บางทีก็ไปได้ร่างกายของของของสัตว์เดรัจฉานได้เป็นนกได้เป็นแมวได้เป็นหมาได้เป็นวัวเป็นควายอันนั้นก็เพราะว่าไปไปทำบาปไว้ ก็เลยต้องไปรับผลบาปก่อนก่อนที่จะไปรับร่างกายของมนุษย์นี่ต้องไปรับร่างกายของเดรัจฉานก่อนเพราะไปทำํำบาปไว้ถ้าไม่ได้ทําบาปเลยนี่ตายไปก็ไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นอสุรกายไม่ต้องไปตกนรกคือไม่ต้องไปฝันร้ายพวกพวกนรกพวกเปพวกอสุรกายนี่ไม่มีร่างกายมันเป็น เป็นเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่เรื่องไม่ดีต่างๆมาหลอกหลอนเรื่องของความโลภต่างความหิวความอยากเรื่องของความกลัวเรื่องของความเกลียดอาฆาตทยาบาลจองเวรจองกรรมมันนี่ก็เรียกว่าฝันร้ายรอคิวไปจนกว่า พอถึงคิวก็จะอาจต้องไปเป็นเดลฉานก่อนไปได้ร่างกายของสัตว์ก่อนถ้าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำบาปด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่าวัวฆ่าควายก็ต้องไปเกิดเป็นวัวเป็นควายให้เขาฆ่าก่อนฆ่าเป็ดฆ่าไก่ก็ต้องไปเกิดให้เป็นเป็ดเป็นไก่ให้เขาฆ่าฆ่ามดฆ่ายุงก็ต้องไปเป็นมดเป็นยุงให้เขาฆ่าก่อนจนกว่าจะหมดกรรม ข้ายุงกี่ตัวก็ต้องก็ต้องไปเกิดกี่ครั้งนะ่ะสิบตัวก็ต้องเป็นยุงสิบครั้งถ้าเป็นเป็นมดนี่บางทีข้ามันทั้งลังเลยฉีดยา อ, อันนี้ก็ต้องกลับไปเกิดเป็นมดไม่รู้กี่ครั้งนะ่ะแต่โชคดีพวกนี้อายุมันสั้นมดตัวหนึ่งมันก็อยู่ไม่ถึงเดือนใช่ไหเดือนมันก็ตายตายแล้ว ก, กลับไปเกิดเป็นมด คามดพันตัวก็กลับไปเป็นมดพันพันเดือนพันรอบกว่าจะหมดนะพอหมดบาปแล้วถึงจะได้มารอคิวของมนุษย์อยนนงไ้นะแล้วพอได้ร่างกายของมนุษย์มันก็กลับมาทำแบบเดิมอีกไปเที่ยวกันเอกไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก่อนจะหาก็ต้องไปหาเงินก่อน พาไม่มีเงินก็เที่ยวไม่ได้ซื้อของต่างๆไม่ได้ที่หาเงินบางคนหาเก่งก็ไม่ต้องไปทำบาปบางคนหาไม่เก่งก็ต้องไปทำบาปเพอาอยากจะได้เงินเยอะๆก็อาจจะไปทำอาชีพฆ่าเป็ดฆ่าไก่เคยทำอาชีพไหนในชาติก่อนเดี๋ยวมันก็ติดนิสยัยกลับมาทำอาชีพนั้นอีกเคยชอบ ถ้าทำอาชีพค่าเป็ดค่าไก่ค่าเป็ดค่าไก่กลับมาก็จะกลับไปทำอาชีพนั้นเพราะมันมันถนัดเหมือนเคยถนัดมือขวามันก็กลับมาใช้มือขวาถนัดมือซ้ายก็กลับมาใช้มือซ้ายชอบสีเขียวก็จะกลับมาหาแต่สีเขียวชอบสีแดงก็จะมาหาแต่สีแดงชอบอะไรก็จะหาสิ่งที่ชอบเกลียดอะไรก็จะเกลียดเหมือนเดิมเพราะของพวกนี้มันอยู่ในใจอยู่ในดวงวิญญาณ มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเคยถนัดมือขวามากี่ชาติมันก็จะถนัดไปเรื่อยๆเพราะมันถนัดไม่ต้องไม่ต้องมีใครสอนนะพ่อแม่ต้องสอนให้ใช้มือขวามือซ้ายหรือเปล่ามีแต่บางครอบครัวก็เห็นเราใช้มือซ้ายเขาอยากให้เราใช้มือขวาเขาก็บังคับเราถ้าเราถูกบังคับหัดไปใช้มือขวาเรื่อยๆต่อไปเราก็ถนัดมือขวาของพวกนี้มันเปลี่ยนได้ ถ้าถูกบังคับบางทีครอบครัวก็าบอกใช้มือซ้ายไม่ดีมันไม่ไม่เหมือนกับคนทั่วไปคนทั่วไปเขาใช้มือขวาของต่างๆเขาผลิตนี้ผลิตให้คนมือขวาใช้กันถ้าคนมือซ้ายใช้มันจะไม่ถนัดทาคนมือขวาก็เลยบังคับให้หัดใช้มือขวาถ้าตั้งแต่หัดถ้าสอนตั้งแต่เด็กมันก็สอนได้เพราะเด็กมันว่านอนสอนง่ายแตไม่เด็กบอ่อยกราบก็กราบบอ่อยทาอะไรก็ทำ ถ้าพอมันเริ่มโตขึ้นมันจะเริ่มดื้อแล้วมันจะไม่เริ่ ม, มจะไม่ยอมทำนะเพราะนิสัยเดิมมันจะมาแล้วแต่ตอนที่เป็นเด็กมันยังช่วยตัวเองไม่ได้มันก็เลยต้องฟังคนที่คนที่สอนก่อนให้ทำอะไรไนี่นีคือเรื่องของกรรมหรือกรรมหรือนิสัยเนี่ยคำว่ากรรมก็คือนิสยัยกรรมแปลว่าการกระทำเนี่ย นิสัยก็คือการกระทําต่างๆที่เราติดเป็นนิสยัย <c oughs> ใช่ไหมถ้าเรามีนิสัยทําบาปมันก็จะติดมากับเรามีนิสัยทําบุญมันก็จะติดมากับเราทําไมคนบางคนถึงเข้าวัดกันบางคนทําไมไม่เข้าวัดกันทําไมคนบางคนชอบเข้าบ่อนไงบางคนชอบเข้าซ่องกันชอบเข้าบาร์กันอมันนิสัยมันเป็นอย่างนั้นอ่ะมันติดเป็นนิสัยมา นิสัยเหล่านี้เปลี่ยนได้แต่มันต้องบังคับถ้ารู้ว่าเข้าบ่อนไม่ดีเข้าซ่องไม่ดีเข้าผับเข้าบาร์ไม่ดีก็ทุกครั้งอยากจะเข้าก็เปลี่ยนไปเข้าวัดดีกว่าพอจะไปบ่อนก็ไปวัดแทนไปเรื่อยๆต่อไปมันก็มันก็หายหายอยากไปบ่อนมันก็จะอยากมาวัดแทนนี่คือดวงวิญญาณของพวกเราที่ไม่มีวันตาย ที่คอยเปลี่ยนร่างกายไปเรื่อยๆแล้วก็ทำอะไรไปตามความความอยากตามอะไรตามนิสัยเดิมของเรากลับมาเกิดก็ตอนเด็กๆ ก, ก็อยู่ที่พ่อแม่จะสอนถ้าเราบางเกิดในครอบครัวที่เ็าเป็นคนดีเขาก็จะสอนให้เราเป็นคนดีไม่ให้ไปกินเหล้าเมายาไม่ให้เล่นการพนันไม่ให้พูดโกหกไม่ไม่ให้ขโมยข้าวของ ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่มีนิสัยแบบนี้เราก็จะได้ฝึกนิสัยแบบนี้ขึ้นมาแต่จะได้มากได้น้อยก็อยู่ที่นิสัยเดิมถ้านิสัยเดิมเรายังชอบกินเหล้ายังชอบโกหกยังชอบขโมยของอยู่มันอาจจ ะ, ะเปลี่ยนได้ไม่มากเพราะพอเราเริ่มโตขึ้นมาเราก็เราก็มีโอกาสเป็นตัวของเราเองเวลารับหลังพ่อแม่ก็อาจจะไปแอบกินเหล้าก็ได้ อาจจะไปขโมยของก็ได้ไปโกหกก็ได้แล้วแต่ว่านิสัยของเรามันนิสัยเดิมของเรามันแรงหรือไม่แรงถ้าแรงมันก็แก้ยากถ้ามันไม่แรงมันก็แก้ง่ายแล้วจะแก้ได้จริงๆก็อยู่ที่ตัวเราคนอื่นเขาสอนเราเท่าไหร่ถ้าเราไม่เชื่อเขาเขาก็สอนเราไม่ได้แต่ถ้าเรา สอนตัวเราเองนี่เราสอนได้ถ้าเรารู้ว่าเออทำอย่างนี้ไม่ดนะีเล่นการพนันไม่ดีดื่มฟสราไม่ดีโกหกไม่ดีรักขโมยไม่ดีเราเวลาจะทำเราก็คอยฝืนเหมือนว่ฝืนมันไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็จะเปลี่ยนนิสัยได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ามีใครมาสอนเราบอกเราเปล่า ว, ว่าการกระทำบาปไม่ดี ถ้าไม่มีใครสอนเราก็า จ, จะไม่คิดว่ามันไม่ดีก็ได้เราคิดว่าดีเพราะทําบาปแล้วมันได้อะไรง่ายกว่าไม่ทําบาปนี่มัอยากจะได้อะไรทาบาป ถ, าถ้าไม่ทําบาปไม่ได้ก็ต้องทําบาปกันเช่นอยากได้เงินเงินเดือนเดือนเรไม่ปิดตังไม่พอใช้พอดีมีโอกาสที่จะยักยอกเงินของบริษัทเงินของรัฐบาลก็ก็เอากัน เพราะมันง่ายกว่าได้มากกว่าหลายเท่าเห็นไหมครับราชการเงินเดือนไม่กี่ตังค์แต่รับใต้โต๊ะรับสินบนนี่มันได้ต้องหลายเท่าของเงินเดือนมันก็ทําให้ถ้ามีนิสัยแบบนี้มันก็จะรับทันทีแต่ถ้าคนที่มีนิสัยซื่อสัตย์มาแต่ดั้งเดิมก็จะไม่รับเนี่ยใครจะมาให้สินบนก็ปฏิเสธไป อันนี้คือเรื่องของดวงวิญญาณเวลามีร่างกายแล้วก็เรียกว่าจิตใจเวลาไม่มีร่างกายจิตใจนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นวิญญาณเหมือนกับเด็กเวลาเป็นเด็กก็มีชื่อเด็กชายเด็กหญิงอพอโตอขึ้นก็เป็นนายเป็นนางสาวไปพอแต่งงานก็เป็นนางไปคนเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนชื่ อ, อ จิตใจก็เหมือนกันเวลาไม่มีร่างกายแล้วก็เรียกว่าดวงวิญญาณดวงวิญญาณก็จะเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆตามบุญตามบาปที่ทําไว้ถ้าทําบาปด้วยความโลภ ก, ก็เป็นเปรตทาบาปด้วยความโกรธเกลียดเคียดแค้นฆ่ า, าพยาบาทก็เป็นนรกทําบาปด้วยความกลัวก็เป็นอนุสร ก, กาย ทำบาปด้วยความหลงก็ไปเป็นเดรัจฉานถ้าทำบุญก็ได้เป็นเทวดาเทวดาชั้นต่างๆเทวดานี้ก็เป็นพวกที่เหมือนกับพวกที่ไปท่องเที่ยวในเมืองนอกเนี่ยเวลาไปท่องเที่ยวเมืองนอกนี้มีแต่ความสุขกันใช่ไหมพวกเทวดาก็เหมือนกันเป็นพวกที่นอนหลับแล้วฝันดี ฝันแต่เรื่องดีๆฝันว่าได้ไปกินที่นั่นที่นี่ไปอยู่ที่นั่นที่นี่ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปพบกับคนนั่นคนนี้อะไรต่างๆที่ดีต่างๆที่เราทำให้เรามีความสุขกันเนี่ยเกิดจากการที่เราทำบุญในตอนที่เรามีชีวิตอยู่พอมพอไม่มีร่างกายบุญมันก็จะผลิตเรื่องดีๆให้กับวิญญาณที่กำลังรอไปรับร่างกายอันใหม่อยู่ ก็พอได้จังหวะมีด้มีจังหวะได้รับร่างกายอันใหม่ก็ก็หยุดฝันออกจากท้องแม่มาก็ตื่นขึ้นมาดืงตาใหม่ได้ร่างกายอันใหม่แล้วก็มาจเจริญเติบโตพอร่างกายโตได้ตอบสนองความอยากได้กลับไปแล้วเห็นไห็นมเด็กนี่ยมันไม่ต้องสอนมันมันอยากจะหัดเดินหัดยืนหัดวิ่งของมันพะพอมันอยากมันอยากจะไปทําอะไรต่างๆ แต่ร่างกายมันก็ต้องใช้เวลาพัฒนากว่าที่มันจะสามารถทำอะไรได้พอร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทำอะไรตามความอยากได้ที่ก็ไปกันลยใช่ไหไปมีเงินปั๊บก็ไปเที่ยวกันนะไปซื้อของที่อยากจะซื้อไปดูไปฟังอะไรที่อยากจะดูอยากจะฟังพอเงินหมดก็ไปหาเงินใหม่หาเงินถ้าไม่พอใช้ก็อาจจะต้องไปทําบาป ถ้าหาเงินได้มากกว่ารายจ่ายก็ไม่ต้องไปทําบาปอาจจะมีโอกาสได้ทําบุญมีเงินเหลือเยอะไม่รู้จะทําอะไรไปทำบุญมากไปแบ่งให้คนอื่นเขามากเห็นคนอ่นเขาทุกข์ยากลําบากขาดแคลนก็เลยสงสารเขาหรืออาจจะเป็นเพื่อนฝูงคนที่เรารู้จักก็เป็นการทําบุญเหมือนกันเห็นเพื่อนเขาอดอยากขาดแคลนเรามีมากกว่าเขาเราก็แบ่งให้เขาบ้าง หรือเวลาไปเที่ยวด้วยกันก็มักจะต้องคว้ากระเป๋าจ่ายคนที่มีเงินมากกว่านี้มักจะจ่ายเวลามีไปเที่ยวกับเพื่อนเนื่อนี้เพื่อนที่เขามีฐานะด้อยกว่าเขาก็จะรอให้คนมีเงินใจ่ายให้อันนี้ก็เป็นการทําบุญเป็นการบันทึกเหตุการณ์ที่ดีเวลานอนหลับเหตุการณ์ที่ดีมันก็จะโผล่ขึ้นมาในฝัน เราตอนเรานอนหลับนี่เรากำลังดูหนังตัวอย่างว่าเวลาที่เราตายไปนี่เราจะฝันแบบไหนจะฝันร้ายหรือจะฝันดีเนี่ยคอยสังเกตความฝันที่เรามีกันอยู่เนี่ยแล้วขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เรายังมีโอกาสแก้ได้ถ้าฉายแ ต, แต่ฝันแต่เรื่องร้ายๆก็รีบไปทำบุญซนะทำบุญเยอะๆต่อไปเวลานอนหลับมันก็จะฝันแต่เรื่องดีๆ เรื่องบุญเรื่องบาปนี้เราเราควบคุมได้เพราะเราเป็นคนทาเองเป็นภาพยนตร์ที่เราผลิตกันเองเราเราจะผลิตหนังบูก็ได้ผลิตหนังผีก็ได้หนังหวาดเสียวก็ได้หนังตลกก็ได้อยู่ที่เราเป็นคนผลิตอยู่ที่การกระทาของเราเรื่องราวเหล่านี้เราจะไม่เข้าใจถ้าไม่มีใครมาอธิบายต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นผู้ที่รู้เรื่องของดวงวิญญาณรู้เรื่องของจิตใจดีที่สุดเพราะท่านศึกษาแต่เรื่องราวเหล่านี้เหมือนกับถ้าเราอยากจะเรียนวิชาประวัติศาสตร์เราก็ต้องไปศึกษากับคนที่เขาเก่งทางด้านประวัติศาสตร์อยากจะรู้ว่าปฏิวัติป ร, ประวัติศาสตร์ของกรุงศรีเป็นมาอย่างไรกรุงสุโ ข, ขทัยเป็นมาอย่างไรก็ต้องไปหาอาจารย์ที่เก่งทางวิชาประวัติศาสตร์ ท่านก็จะเล่าให้ฟังเลยว่าเป็นอย่างง้นมาอย่างนี้ถ้าไปคุยกับอาจารย์ทางวิทยาศาสตร์ทงากไม่รู้หรอกเพราะท่านรู้แต่เฉพาะเรื่องของท่านสําหรับดวงวิญญาณสําหรับดวงจิตดวงใจสําหรับเรื่องของการไปเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องนิพพานเนี่ยต้องไปศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงจะได้รู้เรื่องราวเหล่านี้ ถ้าไม่ได้มาที่นี่ไปที่อื่นรับรองได้ไม่ได้ฟังเรื่องที่กําลังพูดอยู่ตอนนี้แล้วไปแล้วแต่เราไปเข้าวงการไหนไปเจอหมอหมอก็จะพูดแต่เรื่องยาเรื่องรักษาโรคภายคข้เจ็บะไปคุยกับพวกบันเทิงมันก็จะคุยแต่เรื่องผลิตหนังเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วแต่ว่าเขาอยู่ในวงการไหนเขาก็จะเขาก็จะพูดแต่เรื่องที่เขารู้อันนี้ก็เหมือนกัน ถ้าเราอยากจะเรืองเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของนรกสวรรค์เรื่องของบุญของบาปก็ต้องมาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงจะได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้ตอนนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าก็เหลือแต่พระธรรมกับพระสงฆ์พระธรรมก็เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการบันทึกเอาไว้แล้วก็ มีการรวบรวมไว้ในพระไตรปิฎกถ้าอยากจะฟังเทศจากพระพุทธเจ้าก็ไปอ่านหนังสือในพระไตรปิฎกนี่ะเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการบันทึกเอาไว้เรื่องที่พูดเหล่านี้ก็มาจากพระพุทธเจ้าทเพราะเราเกิดมาเราก็ไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้มาก่อนแล้วพอดีมาเจอหนังสืออ่านแล้วก็รู้สึกว่า เ, าเป็นเรื่องแปลกเเรื่องไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนไม่ได้รู้มาก่อน ก็เลยสนใจก็เลยลองศึกษาก็ศึกษาไปศึกษาไปมันก็รู้มากขึ้นมากขึ้นไปจนเดี๋ยวนี้สามารถเอามาม า, มาแจกใจ่ายให้คนอื่นได้ฟังได้ก็ไม่ใช่เป็นความรู้ของเราเหรอกถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนเป็นคนแรกความรู้เหล่านี้ไม่มีใครรู้ได้ความรู้ใดพระพุทธศาสนานี้เจอเกิดจากพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบความรู้เหล่านี้รู้เรื่องดวงวิญญาณของพวกเรา รู้เรื่องจิตใจของพวกเราเวลามีร่างกายแล้วก็เรียกว่าจิตใจจิตใจก็เป็นผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรไปต่างๆที่จิตใจต้องสั่งเพราะจิตใจมีความอยากอยากดูอยากฟังอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากเป็นใหญ่กันทุกคนในชะ่ไหมอยากเป็นนายไม่มีใครอยากจะเป็นคนใช้กันอนี่คือความอยากที่มันมีอยู่ในใจ มันเลยพาให้เราเนี่ยต้องผักดันตัวเองตลอดเวลาอยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยๆแล้วรู้สึกว่ามันขาดทุนนะอยู่เฉยๆต้องออกไปทำนู่นทำนี่ทั่วที่จะได้สิ่งที่อยากได้แต่ได้เท่าไหร่ก็ไม่พอใช่ไหอได้เท่าไหร่ก็ไม่พอตอนต้นก็ขอให้ได้แค่แสนหนึ่งก็พอแล้วพอได้แสนนี้ก็อยากจะได้ล้านพอได้ล้านก็ไม่พออีกแล้วอยากจะได้สิบล้าน ความอยากนี่มันเป็นตัวที่ผลักดันเราไม่รู้จักจบจากสิ้นพอไม่มีร่างกายความอยากนี่มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจอยู่ที่ดวงวิญญาณมันก็ผลักดวงวิญญาณให้ไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้กลับมาหาสิ่งที่อยากได้ต่อนี่คือเรื่องของจิตใจของพวกเราเรื่องของดวงวิญญาณของพวกเราที่เราจะไปไม่มีวันสิ้นสุด จนกว่าเราจะได้มาเจอกับพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคาสอนหรือพระอริยสงสาวกท่านบอกว่าการไปทําตามความอยากนี่ยทําให้เราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปไม่มีจักจบจักสิ้นแล้วการเกิดแต่ละภพแต่ละชาติมันก็เต็มไปด้วยน้ําตาใช่ไหมมีใครไม่หลั่งน้ําตาบางที่คนที่เกิดมานี่มีใครไม่รอมบบ้องไห้บ้างไหอ แพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเอาน้ําตาที่เราร้องในแต่ละภพระชาตนี้มารวมกันเนี่ยเชื่อไหมว่ามันมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรดิคิดดูว่าเรามาเกิดกันกี่ครั้งแล้วมาร้องไห้กันมากขนาดมีน้ําตามากกว่าน้ําในมหาสมุทรนั่นแหละคือเราผ่านความทุกข์มาอย่างโชคชรโดยที่เราไม่ได้จดไม่ได้จําไม่ได้บันทึกไว้ท่านเองเราเลยไม่รู้ นี่แหละเป็นเรื่องที่พระเจ้าบอกว่าการเกิดมันไม่ดีตรงนี้มันไม่ดีตรงที่ว่ามันต้องมาล่องห่มล่องห้เศร้าโศกเสียใจมาเครียดมาวิตกกังวลมาหวาดกลัวมาอะไรต่างๆมันเกิดจากการมีร่างกายนี่แหละพอมีร่างกายมันก็หวงร่างกายหวงร่างกายแล้วนอกจากมีร่างกายแล้วยังเอาร่างกายไปหาสิ่งอื่นมาเพิ่มให้มันทุกข์มากขึ้นอีก ทุกกับร่างกายของเราตนไม่พอก็ต้องไปหาทุกข์กับแฟนอีกเอาร่างกายของแฟนของสามีของภรรยามาทุกข์อีกแล้วพอได้แฟนได้สามีก็หาเอาร่างกายของลูกมาทุกข์อีกเห็นไหมทุกข์ก็เปล่าเวลามีลูกห่วงลูกก็เปล่าห่วงลูกก็เปล่ามีสามีภรรยาห่วงสามีห่วงภรรยาหรือเปล่าเี่ยมันไม่รู้เนี่ยมันเกิดจากความอยากนะความอยากเป็นตัวให้เราไปกว้านเอาความทุกข์มา ทับถมจิตใจเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเพราะความหลงมันหลอนเราคิดว่าเป็นความสุขใช่ไหมอ๋อได้แฟนมาแล้วจะมีความสุขได้ลูกแล้วจะมีความสุขได้อะไรมาก็คิดว่าจะมีความสุขแต่พอได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาทุกข์กับของที่เราได้เพราะมันไม่เคยคิดไงไม่เคยคิดทางปัญญาคิดทางกิเลสคิดคิดตามความหลงความหลงมันจะเห็นแต่ด้านด้านดี มันมีทั้งสองด้านไงของทุกอย่างที่เราได้มามันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์แต่เรามองไม่เห็นด้านที่เป็นทุกข์เราจะเห็นแต่ด้านที่เป็นสุขแล้วพอมาเจอความทุกข์ก็เกิดไม่เข้าขลายไม่ออกจะ ก, กําจัดก็กําจัดไม่ได้อมันมาแล้วมันหวงแล้วมันหวงแล้วเอจากโยนทิ้งไปก็ไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปสุขทุกข์ ปนงินไปบางวันก็โหยเล้อบางวันก็ร้องไห้อ่านี่แหลชีวิตของเราปัญหาของเราพระเจ้าบอกว่ามันเกิดจากความอยากนี่แหละอยากดูอยากฟังอยากมีอยากเป็นไอ้ตัวนี้แหละที่พระเจ้ทาทรงค้นพบว่าถ้าหยุดมันได้แล้วก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปถ้าหยุดความอยากดูอยากฟังได้อยากมีอยากเป็นได้ต่อไปก็ไม่ต้องมีร่างกาย พระพุทธเจ้าตอนนี้ไม่มีร่างกายดวงวิญญาณท่านก็ยังมีอยู่ดวงวิญญาณของท่านไม่มีฝันละเพราะท่านไม่ได้ไปทำบุญทำบาปอะไรท่านอยู่เฉยๆเพราะท่านไม่มีความอยากตัดความอยากได้หมดก็เลยไม่ต้องไปมีร่างกายเหมือนพวกเราพวกเรานี่เดี๋ยวตายไปชาตินี้เดี๋ยวก็กลับก็ไปหาร่างกายใหม่อีกเชื่อไหม อถ้ายังอยู่เฉยๆอยู่แบบไม่มีร่างกายอยู่แบบคนตายไม่ได้เนี่ยที่เมื่อกี้ก็ถามว่าจะหัดตายให้อยู่แบบนั้นเนี่ยก็อยู่แบบคนตายอยู่แบบไม่มีความอยากเนี่อ <orc waar? S 2> ไม่ต้องอยากอยู่แบบพระเ น, นี่ยพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านหลังจากตัดสรู้์แล้วท่านก็เหมือนกับ อ, อยู่แบบคนตายท่านไม่ไปเที่ยวไหนแล้วท่านไม่ไปมีแฟนท่านไม่ไปเป็นนู่นเป็นนี่แล้วท่านก็อยู่เฉยๆเพียงแต่ ยังมีร่างกายอยู่ก็เลี้ยงมันไปตามตามอัตภาพก็วันนี้ก็หาข้าวมันกินมื้อหนึ่งมีผ้าสามผืนให้มันหม่มที่หลับนอนก็แล้วแต่ที่ไหนมีที่ไหนหลบได้หลบแดดหลบฝนได้อยู่ยไปท่านไม่ได้วุ่นวายกับการเลี้ยงดูร่างกายมากจนเกินไปเพราะท่านไม่ต้องอาศัยร่างกายแล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่ตายก็เลยเอา้ายังเอามาทำประโยชน์ได้ ยังเอามาสอนคนเอามาเอาร่างกายนี้มาสอนคนได้อยู่ท่านอยู่เพราะท่านสงสารพวกเราท่านเอาเอาเลี้ยงดูร่างกายเพื่อจะได้เอาเอาธรรมะที่ท่านรู้เนี่ยมาสอนมาบอกพวกเราให้รู้จักเรื่องเราของตัวเราว่าเราเป็นอะไรกันแนะ่ท่านมาสอนบอกว่าเราเป็นดวงวิญญาณเป็นจิตใจที่เป็นที่มาครอบครองร่างกายมาอาศัยร่างกายอยู่ชั่วคราว แล้วก็ใช้ร่างกายทำบุญทำบาปใช้ร่างกายทำตามความอยากต่างๆแล้วพอเวลาร่างกายนี้ตายไปความอยากยังมีอยู่ก็จะเดือให้ใจหรือดวงวิญญาณที่ออกจากร่างกายนี้ไปหาร่างกายอันใหม่ระหว่างที่ไปรับร่างกายอใหม่นี้ก็ไปฝันดีฝันร้ายก่อนถ้าทำบุญไว้ก็จะฝันดีมีแต่เรื่องที่ สดชื่นเบิกบานสำลาญใจถ้าไปทำบาป ก, ก็มีแต่เรื่องหวาดเสียวหวาดกลัวน่าเกลียดน่ากลัวมีภัยอะไรต่างๆร้อยแปดพันประการมาคอยลุมเล้าจิตใจตลอดเวลาแล้วพอได้ร่างกายใหม่ก็ตื่นขึ้นมาเหมือนเหมือนนอนหลับตื่นขึ้นมาแล้วก็มาใช้ร่างกายหาหาสิ่งที่อยากได้ต่อ แล้วก็ทำบุญทำบาปต่อนี่ก็จะไปอย่างนี้เรื่อยๆอจนกว่าจะมาเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยพอมาเจอพระพุทธเจ้า พ, พุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยดวงจะรดวงวิญญาของเราเป็นนักผาเนจรท่องเที่ยวไปพบน้อยพบใหญ่เปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติไปเรื่อยๆอแล้วก็ถ้าอยากจะหยุดการพาเนจรก็ต้องหยุดความอยากในใจเรา หยุดความอยากเที่ยวอยากดูอยากฟังอยากมีแฟนอยากลิ้มรสดมกลิ่นอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากไม่เป็นนั่นเป็นนี่มีทั้งอยากเป็นก็อยากไม่เป็นอยากรวยแต่อยากไม่จนอยากเป็นใหญ่อยากแต่ไม่แต่อยากไม่เป็นเล็กอยากจะเป็นใหญ่เพราะถูกเรื่องทอนลดตาแหน่งก็เสียใจทุกความอยากเหล่านี้มันจะทําให้เราทุกข์ เวลาเราไม่ได้ดังใจอยากที่เราร้องหม่มร้องไห้กันเพราะเราผิดหวังกันมันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะความอยากเรายังทุกข์เพราะความแก่ความเจ็บความตายอีกด้วยเพราะงั้นการมาเกิดมันไม่ดีการทำอะไรต่างๆไม่ดีสู้หยุดการกระทำให้ได้หยุดความอยากให้ได้หยุดการกระทำที่ทำด้วยความอยากให้ได้แล้วใจก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ ใจจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปทีนี้เราจะหยุดมันนี่หยุดมันด้วยสั่งมันไม่ได้นะเนี่ยวันนี้ได้ฟังแล้วว่าความอยากไม่ดีเดี๋ยวต่อไปนี้เลือกความอยากได้ไหมเลือกดูละครเลือกไปเที่ยวได้ไหมเลิกเลือกไปชอปปิ้งได้ไหร่าเอล่าต้องพยายามอวิธีที่จะทําวิธีที่จะหยุดความอยากได้พระพุทธเจ้าก็ส่งคนพบว่ามีวิธี วิธีที่จะหยุดความอยากก็ต้องหยุดความคิดให้ได้เพราะความคิดนี้เป็นตัวนําความอยากถ้าเราไม่คิดมันก็จะไม่อยากถ้าเราคิดถึงกระเป๋าเราก็อยากจะไปดูกระเป๋าอยากจะไปซื้อกระเป๋าถ้าเราคิดถึงภาพยนตร์เราก็อยากจะไปดูภาพยนตร์ er <is> ถ้าเราคิดถึงร้านอาหารเราก็อยากจะไปร้านอาหารถ้าเราไม่ได้คิดถึงเรื่องราวพวกนี้ความอยากมันเกิดขึ้นไม่ได้ ท่านถึงสอนให้เรามาหยุดความคิดกันก่อนไหมวิธีจะหยุดความคิดก็คือให้คิดในเรื่องที่ทําให้เราคิดเรื่องเรื่องเรื่องอื่นไม่ได้ชะ <trails. S 1> ให้เราคิดอยู่ค่ะคําว่าพุโทโธพุโทโธไปถ้าเราทั้งวันนี้พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวมันจะไปคิดถึงขนมก็ไม่ได้คิดถึง롱ผ้าพยนต์ก็ไม่ได้คิดถึงที่ท่องเที่ยวก็ไม่ได้คิดถึงใครก็ไม่ได้ พอเราไม่ให้มันคิดไงแล้วมันคิดแต่พุโทโธพุทโธไปนถ้าเราสามารถควบคุมความคิดได้หยุดความคิดได้ใจเราจะปราศจากความอยากแล้วใจเราจะเบาจะเย็นจะสบายที่เราหนักอกหนักใจกันก็นเพราะความอยากเนี่ยอยากแล้วไม่ได้มันหนักอกหนักใจไหมยอยากให้เขาทําอย่างนั้นทำอย่างนี้พอเขาไม่ทําแล้วเรารู้สึกหนักอกหนักใจไหมแต่ถ้าเราปล่อยให้เขาทำอะไรตามเรื่องของเขาก็าอยากจะทําอะไรก็เรื่องของเขา เราจะไม่หนักอกหนักใจเราจะสบายใจเราจะเบามีความสุขเวลาหนักอกหนักใจก็รีบหยุดความคิดซะที่หนักอกหนักใจเพราะไปอยากอยากให้เขาทาอย่างนั้นทางนี้ถ้าเราหยุดความคิดถึงเขาได้ความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเปน็นอย่างนี้มันก็จะหยุดไปเวลาเราไม่สบายใจกับเรื่องอะไรก็อย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นหยุดความคิดถึงเรื่องนั้นให้ได้ด้วยการใช้พุโทโธพุโทโธดึงใจออกมาจากเรื่องนั้น แต่เราใช้พุโทโธพุโทโธพุโทพโธพทโธไปไม่นานมันก็ลืมละห้านาทีมันก็ลืมละหรือเรื่องที่เรากำลังหนัก อ, อกหนักใจใจเราก็จะเบาขึ้นมาสบายขึ้นมาความอยากที่จะไปให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะหายไปนี่นี่เป็นวิธีหยุดความอยากแบบชั่วคราวหยุดด้วยควบคุมความคิดไว พอเราหยุดได้หยุดความคิดได้เราขั้นต่อไปแล้วก็จะสามารถสอนใจให้คิดไปในทางที่จะทําให้เราไม่อยากได้คิดยังไงก็คิดถึงส่วนที่ไม่ดีของส่วนสิ่งที่เราอยากได้คิดถึงคนที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราว่าเดี๋ยวเกิดเขาเปลี่ยนไปล่ะตอนนี้เขาดีทุกอย่างเดี๋ยวพอได้เข้ามาแล้วเกิดเขาเปลี่ยนไปเป็นอีกอย่างจะทํำยังไงมีใครมารับประกรันได้หรือเปล่วปาว่าเขาจะไม่เปลี่ยนมีตัวอย่างให้ดูไหมเยอะแยะไหม ออจะไม่ทาให้ไม่ดูกัน <c oughs> เวลาเจอกันใหม่ๆนี่โอ้โหรักกันเกินกินเลยใช่ไ <c oughs> อ อ, อชี้นกเป็นนกชี้ฟ้าเป็นฟ้าใช่ไหม <c oughs> อยู่กันม้อข้าไม่ทันดำเป็นยังไงอ่นั่ง น, นี่แหละเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้ให้เราคิดแบบนี้ให้คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่นอนสิ่งที่เราอยากได้ที่เราคิดว่ามันดีเนี่ยมันเปลี่ยนได้หรือมันหมดได้ เวลามันเปลี่ยนหือมันหมดนี่กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราเห็นสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นอย่างนี้เราก็จะไม่อยากดีกว่าไม่เอาดีกว่าอยู่คนเดียวดีอยู่กับความว่างดีกว่าอยู่กับความไม่มีไม่ไม่มีความอยากดีกว่าอยู่กับพุทโธดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่านี่แหละคือวิธีที่เราจะสามารถตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจของเราได้เราต้องควบคุมความคิดให้ได้หยุดความคิดให้ได้ พอไม่มีความคิดเล้าใจเราจะเบาจะสบายจะมีความสุขอยู่เฉยๆได้ไม่มีอะไรก็มีความสุขได้แล้วพอเกิดความอยากจะมีอะไรขึ้นมาก็ให้คิดว่ามันมันดีจริงหรือเปล่ามันจะมันไม่เปลี่ยนแปลงหรือเปล่าจะจะดีไปตลอดหรือเปล่าไม่มีอะไรดีไปตลอดไม่มีอะไรเหมือนเดิมไปตลอดทุกสิ่งทุกอย่างได้มาแล้วไม่ช้า ก, ก็เร็ว ม, มันก็ต้องเสือ่อมมันต้องเปลี่ยนมันต้องหมด ถ้าเราคิดอย่างนี้ได้ต่อไปเราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้หมดพอหยุดความอยากได้หมดก็ไม่มีอะไรมาดันให้ดวงวิญญาณของเราไปมีร่างกายอันใหม่พอร่างกายอันนี้ตายไปก็จบเนี่ยร่างกายของพระพุทธเจ้าร่างกายสุดท้ายก็คือร่างกายของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเนี่ยพอท่านมาบวชท่านสามารถหยุดความอยากได้ท่านก็ไม่ไปเกิดใหม่แล้วก่อนหน้านั้นท่านเป็นอะไต้องหลายหลายอย่างเห็นไหมพระเจ้าสิบชาตินี้ก็เป็น ใจของมุทตเจ้าที่ไปเปลี่ยนร่างกายมาแต่ละชา najle. เป็นพระเวสสันดรมั่งเป็นพระเตมีมั่งเป็นพระพระอะไรมั่งเนี่ยพระมหาชนกพระอะไรเหล่า น, นี้เนี่แหละเป็นเป็นร่างกายของใจของมุทธเจ้าที่ท่านเปลี่ยนเวลาร่างกายท่านตายไปเนี่ยพระเวสสันดร น, นี่เป็นร่างกายสุดท้ายก่อนที่จะมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะพอตายจากพระเวสสันดรก็ไปก็ไปอยู่ในสวรรค์ L. ไปฝันดี เขาทำบุญนะพระเวสสันดร น, นี้ทำแต่บุญอย่างเดียวพอร่างกายตายไปดวงวิญญาณก็ฝันดีฝันดีอยู่ในสวรรค์เรียกพอได้คิวรับร่างกายก็มารับร่างกายของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแล้วพอได้ร่างกายสิท ธ, ธัตถะมาเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็เบื่อแล้วสิไม่อยากจะเกิดก็เลยไปบวชไปหาวิธีที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดในที่สุดก็ค้นพบว่าเหตุที่ทํามาให้เกิดก็คือความอยาก แล้วเหตุที่จะหยุดความอยากได้ก็คือการทำใจให้สงบควบคุมความคิดแท้ได้แล้วสอนใจให้เห็นให้คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนได้มาแล้วจะต้องเสียใจในภายหลังจะต้องทุกข์ในภายหลังก็เลยหยุดความอยากต่างๆได้พอร่างกายของพระพุทธเจ้าสมณะโคโนมนี่ตายไปปั๊บก็เป็นร่างกายสุดท้ายของท่าน ตั้งแต่นั้นมาไม่มีร่างกายของพระจเจ้าอีกแล้วมีแต่ดวงวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในความสงบอยู่ในที่ที่ไม่มีความอยากเราเรียกที่นั้นว่าพระนิพพานเป็นที่อยู่ของดวงวิ ญ, ญญาณที่ไม่มีความอยากทั้งหลายส่วนพวกเรานี้มันยังมีความอยากอยู่ดวงวิญญาณของเรามีความอยากอยู่เรายังอยู่ในวัฏฏะสงสารอยู่ในสังสารวัฏคือในโลกของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ ต่างกันแค่ตรง น, นี้ดวงวิญญาณทุกดวงไม่มีวันตายเพียงแต่ว่ามีที่อยู่สองที่ของผู้ที่ไม่มีความอยากก็อยู่ที่นิพพานพวกที่ยังมีความอยากก็อยู่ก็อยู่ในสังสารวัตรสังสารวัตก็คือเนี่ยที่ดวงวิญญาณพวกเรามาคอยเปลี่ยนร่างกายกันอยู่เรื่อยเนี่ยแล้วจะเปลี่ยนต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราสามารถที่จะควบคุมความคิดของเราได้หยุดความคิดของเราได้ เปลี่ยนความคิดของเราเปลี่ยนทัศนะคติให้เห็นว่าทุกอย่างในเรื่องนี้มันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็ต้องเป็นทุกข์ใช่ไหเพราะมันเวลามันมันใหม่ๆมันดีแต่มันไม่ดีตลอดก็แสดงว่ามันไม่เที่ยงพอมันไม่เที่ยงมันก็ทำให้เราทุกข์ขึ้นมาแล้วเราก็ไปห้ามมันไม่ได้ไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ เราต้องคิดอย่างนี้กับทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันไม่เที่ยงมันจะทำให้เราทุกข์เพราะเราไปห้ามมันไม่ได้มีทางเดียวที่ทำให้เราไม่ทุกข์ก็คืออย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปมีมันพอไม่มีมันก็ไม่ทุกข์ไม่มีลูกก็ไม่ต้องทุกข์กับลูกไม่มีแฟนก็ไม่ต้องทุกข์กับแฟนเมื่อก่อนอยู่คนเดียวทาไมอยู่ได้พอมีแฟนแล้วเป็นไงทุกสองกลังสองนะตอนโดนก็ทุกกาลังหนึ่งทุกข์กับตัวเอง พอมีแฟนก็ทุกกําลังสองเดี๋ยวมีลูกก็เป็นทุกกําลังสามกำลังสี่ไปเรื่อยอืออือถ้ามีอะไรแล้วมันทุกถ้าเห็นด้วยปัญญาก็้ยต่อไปนี้อย่ามีดีกว่าเท mm hmm. ่านี้แหละแล้วเราก็จะไม่ต้องกลับมาอยู่ในวัฏฏะสงสารหรือสังสารวัฏเด็กต่อไปเราก็จะไปอยู่ในในซี่ของผู้ที่ไม่เวียนว่ายตายเกิดถ้าเปรียบเทียบก็เหมือน พวกที่อยู่ในเวทีชกมวยกับพวกที่นั่งดูพวกที่นั่งดูก็นั่งดูสบายพวกที่อยู่บนเวทีก็ต่อยกันแหละเจ็บนี้อเจ็บตัวคนที่ฉลาดก็เปลี่ยนที่ดีกว่าไม่คือออกจากเวทีไปเป็นผู้นั่งดูดีกว่าเพระพุทธเจ้านั่งดูพวกเราต่อยกันกัดกันเนี่ยพวกเราก็เปลี่ยนได้จากเป็นนักบูนั ก, นกอะไรนักกระทำต่างๆเป็นนักดูได้โดยการหยุดการกระทำต่างๆ อยู่การกระทําตามความอยากต่างๆถ้าเราหยุดได้ต่อไปเราก็เป็นผู้ดูดูเหตุการณ์ต่างๆดูสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดกันไปแต่เราไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกับเขาแล้วเพราะเราเข็ดละเรารู้เราเรู้เหตุที่ทําให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดตอนนี้เราหยุดเหตุนั้นได้แล้วพอเราหยุดได้แล้วทีนเราก็สบายนั่งดูเขากัดกันนั่งดูเขาแย่งแก่งแย่งทินดีกัน <c oughs> อ่านี่แหละคือเรื่องราวของพวกเราที่ไม่รู้กันวันนี้ก็จะได้รู้กันแล้วถ้าอยากจะทำให้เรื่องราวของตัวเราให้ดีขึ้นก็ทำตามที่พระเจ้าสอนเนี่ยทำบุญละบาปแล้วก็ไปควบคุมความคิดหยุดความคิดํำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วเราก็จะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาทุกข์กันอีกต่อไปการจแจดงก็พอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พรยาถาวาเิวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตูทินังเปตานาังอุปปกักปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจโตสัพเหปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยาถามณิชโชติ ภราสุยถาสัพพิติโยวิวัชานตุสัพพะโรโววินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายยโกภวะภิวัตนศสีิตสะนิจางุฏาปจายโนจตารโหธรมมวัานติอายุวโนสุขัง วันนี้เข้ามาเท่าไหร่เลยวันนี้ทาง Facebook เข้ามา485ครับ y o ย t u b บ132วิทยุออนไลน์21ครับแล้วก็รับฟังข้างบนนี้58คนครับเป็นทั้งหมด696ครับ696เกือบแตะ700แล้ววันนี้ อันนีขาดขาดหนูเขาไม่ได้ฮะใช่มันติดตามตลอดติดตามตลอดนะทุกวันทุกวันอ่าแชรให้ให้คนฟังแล้วฟังกันหรือเปล่าเวลาเปิดดูแล้วฟังกันหรือเปล่าฟัอ่มีได้ฟังข่านแน่ที่ถึงได้รถอะไรได้หลายอย่างอ่าลถความอยากได้หลายอย่างหลายอย่างค่ะตอนนี้อย่างเีคข้าไปต่างจังหวัดแล้วก็ธรรมชาติกวั อยากเข้าวัดดีไม่เป็นไรอยากอยู่กับธรรมชาติดีวันนี้อยากทางอยากซื้ออยากชอบหรือยไม่มี้ก็ฟังท่านอ่าดีเอาใบก็ตัาความอยากได้เดี๋ยวเนลาน่านะคะนี่ท่านบอกว่าถ้าเกิดว่ามันจะเจ็บขาปวดยังไงเนี่ยคนอย่าไปสนใจมันไม่สนใจบางครั้ง บางครั้งหายค่ะเอหายจากเจ็บปวดไปเลยอ่มันหายค่ะเพราะใจเราไปไปยุ่งกับมันมันเลยไม่หายแต่บางทีมันแบบทนแทบไม่ได้อแต่ก็พยายามจนจนมันไม่รู้สึกเลยคือมันไม่หายก็ไม่เป็นไรถ้าเราใจเราเฉยๆกับมันก็ไม่เป็นไรอยู่กับมันได้ถ้าใจเราไม่มีความอยากให้มันหายแล้วมันจะไม่ทรมานที่มันทรมาณก็อยากให้มันหายไปบวชมานล้วอยู่ ัที่ไหนวัดจีนวิสุิที่สองนะเนีัข้าไก่หข้าไก่ที่ไหนจังหวัดสุพรรณจังหวัดสุพรรณเนาะบัได้กี่วันบัวเกียเจ็ดวันนะได้อะไรบ้างได้อดดข้าวเย็นใช่หมออดข้าวเย็นได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้ใบินตะบัดว่าว่าเขาชวนมนุหรือเปล่าดี เอาไปทำต่อนะไม่บวชก็ทําได้เนี่ยว้ยพระสวนมนต์เนี่ยก่อนนอนก็สวนมนต์ไปก่อนก่อนจะนอ น, นก่อนนอนฟังเท พ, พาจารย์สุชาติเลยเอา่าดีชวนชวนมนต์ด้วยก็ดีเนี่ยสวนมนต์ก่อนแล้วค่อยฟังแล้วก็อฟังเข้าใจรึเปล่าเข้าใจเลยเอ่าดีเพิ่งมาจากบ้าน สึกันมาเมือ่อวานเี็ดจาอะดีพีหน้าไปบวชใหม่นะต้องบวชเรื่อยๆบวชทนเดียวมันเดี๋ยวลืมอ่าไม่เวลากี่ทั้งก็ได้บวชแบบนี้บวชช่วคราวบวชได้อ่าดีปีที่บวชชีปแก้วปีนี้จะเป็นคพี่เลี้ยงค่ะให้อยู่ใกลว้วาจาดีนะอ่าใจทำบุญละ บ, บาป ก, กันล้วจะมีความสุข ยังไม่มีเรื่องราววุ่นวายต่างๆค อ, อยากจะถามก็ถามเลยกลับนมัส ก, การค่ะพระอาจารย์ขอเรียนถามค่ะว่าอาการที่ว่ามีปัญญาหมายถึงว่าพอเจออะไรมากระทบรักโลบโกรธหลงเราไม่รู้สึกอะไรกับมันแล้วใช่ใช่หรือไม่คะ คือมีอุบัยขาไปเลยค่ะถ้าเราถ้าเราไม่มีอะไรกับสิ่งที่มากระทบก็แสดงว่าเรามีปัญญาหรือมีสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างก็ได้ค่ะแล้วแต่ค่ะแล้วถ้าเราโกรธไปแล้วแล้วเราเพิ่งรู้ว่าเออเราโกรธอย่างนี้แสดงว่ายังไม่มีปัญญาโอเคแต่พอเรารู้ว่าปัญญามันจะไม่โกรธมันมันจะรู้ทันค่ะทีนี้ถ้าเรารู้ไม่ทันเราก็ พุทโธแล้วเราก็หยุดเราก็หยุดด้วยสตินั่นคือสติแต่ก็เดี๋ยว <น este S 2> มันก็กลับมาโกรธใหม่ค่ะ <c oughs> ถ้าจะใช้ถ้าหยุดด้วยปัญญามันก็จะไม่กลับมาเกิดใหม่เพราะมันจะรู้ต้นเหตุของต้นเหตุของความเกิดของความโกรธว่าเกิดจากความอยากยางั้นต่อไปไม่อยากแล้วพออยายกให้เขาทาอะไรให้เราเขาไม่ทําให้เราเราก็เลยโกรธ <c oughs> ต่อไปเราจะไม่ไปอยากแล้วอาจจะขอร้องแต่ขอร้องแบบไม่อยาก พอลองแบบว่าได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีอย่างนี้ก็จะไม่โกรธค่ะค่ะลูกศึกเนื่องจากคําถามที่มีคนถามพระอาจารย์เมื่อวานนะคะเพิ่นฟังจาก youtube ที่พิจารณาอาสุภะตอนนั่งเขาที่พี่เขาถามว่าพิจารณาอาสุภะตอนนั่งนั่งสมาธิเอค่ะทีนี้ถ้าเราพิจารณาพระอาจารย์เคยบอกให้พิจารณาให้นึกให้มโนภาพไปเรื่อยอค่ะ ทีนี้ถ้าสมมุติเราเจออะไรที่เข้ามากระทบแล้วทําเจอว่ายัางไงคือถ้าเราไม่รู้สึกแล้วเราก็ไม่ต้องพิจารณาสุภะแล้วใช่ไหมคะถ้าเราไม่รู้สึกลักหรือหลงหรืออะไรแล้วก็เหมือนกับโรคอะถ้าไม่ปวดหัวต้องกินยาแก้ปวดหัวเปล่าไม่ต้องค่ ะ, ะนั่นแหละปัญญ <Okay. S 2> าก็เหมือนยารักษาโรคใจถ้าใจมันหดหยิยดลาคาญเพราะคิดถึงแฟนนี้มันก็ต้อง คิดถึงอสุภะของแฟน แ, แต่ถ้าถเาอพอเห็นอสุภะของแฟนว่าคิดถึงผีนี่วะก็เลยไม่คิดถึงน ะ, ะแต่ถ้าเราไม่คิดถึงก็ไม่ต้องไปพิจารณาอสุภาแล้วก็ที่ให้คิดเผื่อไว้ไงเพราะว่าเผื่อเราไปเกิดไปชอบคนนั้นคนนี้ขึ้นมาทีหลังเราก็จะได้มีอสุภะมามาหยุดมันได้คือมันอสุภะนี้ใช้ในสองลักษณะ ลักษณะแรกก็คือแบบเตรียมตัวไว้ก่อนเตรียมอาวุธไว้ก่อนถ้าไม่มีอาวุธเราก็ต้องเตรียมไว้ถ้าเรายังมองไม่เห็นอสุภะเราก็ต้องฝึกมองอสุภะกันจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนหรืออะไรก็ตามมีความอยากหรือไม่มีความอยากตอนนั้นไม่ไม่เกี่ยวตอนนี้เป็นการสะสมอาวุธสะสมธรรมะให้มีอสุภะอยู่ในใจเราแล้วต่อไปวันดีคืนดีไปเจอเนื้อคู่เก่าขึ้นมา เกิดความอยากได้ของขึ้นมาจะได้เอาสุภอผามามาหยุดได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าความอยากของเรานี่มันมีอยู่หรือไม่มีมันจะรู้ได้สองวิธีก็คือเวลาไปเจอของอะไรถูกต้องใจแล้วเกิดความอยากขึ้นมาหะือ ว, วิธีหนึ่งก็ไปดูหนังสือปลูกเสือป่า ด, ดูดูว่ามันจะปลกเสือป่าขึ้นมาได้เปล่าปลกความอยากขึ้นมาได้เปล่า ก็มีวิธีทดสอบใจเราขอบคุณพระคุณค่ะพระอาจารย์เราบางทีมันซ่อนได้ตัวนี้มันซ่อนค่ะพญานะถ้าเราไม่แย่มันบางทีมันไม่ออกมาถ้าไม่มีอะไรมากระตุ้นมันไม่ออกมาเห็นบางทีถ้าเราอยากจะทดสอบใจเราว่ามันยังมีอยู่แล้วไม่มีอยู่บางทีเราก็ต้องแยมันเอาหนังสือปลุกเสือป่าให้มันดูเงีข้ารใช้ ขอบพระคุณค่ะถ้ามันโผล่ขึ้นมาก็ต้องอสุภาษยัดใส่กลับเข้าไปแล้วมันก็จะดับถ้าไม่มีสุภาษมันก็อาจจะลุกเป็นไฟขึ้นมาได้ฉั้นก่อนจะไปปลูกเสือป่าต้องมีไฟคอยดับไว้ก็มีน้ําคอยดับไฟไว้ก่อนยังมีอสุภาษถ้ามีแล้วไม่เป็นไรเวลาไปปลูกเสือเสือมันเติร์นขึ้นมาก็ใช้น้ํานี่ดับมันได้แต่ถ้าไม่มีอสุภาษอย่าไปเสี่ยง แมันมั น, ม, นมันตกมันเตึ้นมาหรือมันกัดเอาเนี่ยพรนีกลัวเสือชนิดนี้มากที่สุด <Okay. S 2> เสือในป่าไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่กลัวเสือในเมืองกล <Okay. S 2> ับขอบพระคุณค่ะเพราะั้นปัญญามันเป็นสองขั้นไงขั้นแรกแบบทำการบ้านมว้ก่อนเตรียมตัวก่อนจะไปสอบถ้าเราไม่ทำการบ้านเดี๋ยวเข้าต้องสอบสอ บ, สอบตก ปัญญาทุกชนิดนี้เราต้องสร้างขึ้นมาก่อนก่อนที่เราจะไปเข้าห้องสอบความโกรธนี่เราก็ต้องสร้างเราก็ต้องสร้างปัญญาก็คือให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้มันไม่แน่นอนได้แล้วก็อยากแล้วอาจจะไม่ได้ถ้าไม่ได้มันก็จะโกรธได้เหตนั้นถ้าเราอยากไปอยากหรือถ้าอยากก็อยากแบบว่าได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีอย่างนี้มันก็จะไม่โกรธต้องซ้อมนีปก่อน ถ้าไม่ซ้อมไม่เดี๋ยวพอไปอยากได้พั๊บพอมันไม่ได้มันจะโกรธขึ้นมาทันทีตอนนี้โกรธอย่างเดียโกรธแม่ไม่ทานยาก็นี่นะพ่ออยากให้แม่ทานยาน่ก็แค่นั้นเองอถ้าเรื่องของแม่อแม่จะทานก็นทานไม่ทานก็ไม่เรื่องของแม่ก็จบเรามีหน้าที่เอายาให้ท่านก็จบแล้วมีหน้าที่บอกเพราะคนแก่อาจจะลืมเ อ, อก็บอกบอกแล้วท่านไม่อยากกินก็แล้วไปก็จบ ก็แข็นั่นเองแต่เราอยากให้ท่านกินใช่ไหมพอท่านไม่กินก็โกรธปัญหานั้นเองก็เกิดจากความอยากของเราอยากให้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้พอเขาไม่ทํำเราก็โกรธนี่คือสาเหตุของความโกรธต่อไปเราก็จะละความโกรธได้เพราะเราจะระวังเวลาเราอยากนี่เราต้องระวังนะว่า้อยากแล้วต้องต้องต้องอยากแบบหลงหลวงนะ ออยากแบบได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรกลัวบาปนะว่าแม่ทานยาไม่ครบนั่นแหละมันควรจะเรื่องกันมันไม่ได้บาปเรามากจะกินยาครบไม่ครบบาปมันจะตอนเมื่อเราไปฆ่าแม่หรือไปด่าแม่ถึงจะอไปด่าแม่เพื่อให้แม่กินยาเนี่ยบาปนะเพราะกลัวบาปเพราะกลัวแม่ไม่กินยาให้แม่ไม่กินยาก็ไม่บาป แต่ด่าแม่กับไม่กลัวว่าแม่กับไม่กลัวนั่นหละ บ, บาปแล้วด่าแม่ว่าแม่ก็เหมือนกันแหล ะ, ะคำถามทางบ้านครับคำถามจากคุณมนคาครับการซื้อไข่มาทำกับข้าว ไข่ในตลาดทั่วไปจะถือว่าผิดศีลข้อหนึ่งหรือไม่คะเข้าใจว่าไม่มีตัวไข่พวกนี้ไม่มีไม่มีก็ไม่บาปเพราะมันไม่มีชีวิตที่จะต่อออกมาแต่ถ้ามันไข่ที่จะเป็นตัวเป็นตนขึ้นมานี่มันเป็นสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็ก็ฆ่าไม่ได้กินไม่ได้คำถามจากคุณสิรินันเราจะทราบได้อย่างไรว่าความฝันนั้นเป็นนิมิต หรือแค่มโนโลแล้วฝันไปเองทั้งๆ ท, ที่เราก็บริกรรมพุโทโธแล้วหลับไปบางครั้งเราก็เก็บมาคิดเหมือนกันเจ้าค่ะออของคนส่วนใหญ่มันเป็นฝันทั้งนั้นน่ะมโนภาพทั้งนั้นนะ่ะที่จะเป็นนิมิตแบบติดต่อกับกายทิพย์ได้นี่เป็นพวกที่ก็มีสมาธิเท่าไหร่เนี่ยติดต่อได้แต่พวกคนธรรมดาอย่างพวกเรานี่ฝันกันทั้นนนงนั้นคิดไปเองนั้ฝันจากบุญจากบาปที่เราทํานี่แหละ แต่ถ้าเราจะไปเห็นเทวดาคุยกับเทวดาติดต่ออันนี้เป็นพวกที่เขาเข้าสมาธิได้แล้วคำถามจากคุณโบโบช่วงหลังโยมได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมหลายที่ได้พบว่าบางที่สอนแบบไม่เพ่งคือตอนนั่งสมาธิไม่ต้องบริกรรม ตอนเดินจงกรมก็ไม่ต้องกําหนดให้เดินสบายๆ ส, สามารถเดินแกว่งแขนได้จะเน้นให้อยู่กับรู้คือตามรู้ว่าเรากําลังทําอะไรเคลื่อนไหวอย่างไรเป้าหมายคือสามารถแยกจิตออกจากกายหากมีอะไรมากระทบก็สักแต่ว่ารู้ไม่ทราบว่าแนวการสอนวิธีนี้ต่างกับแบบที่ต้องบริกรรมหรือไม่คะ ก็ต่างก็เห็นอยู่แล้วมันต่างไม่ใช่บริกรรมบริกรรมก็คือเป้าหมายก็คงยาณเดียวกันก็คือให้จิตเราไม่ไปวุ่นวายกับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆมันก็มีสองวิธีถ้าวุ่นวายเราบริกรรมได้เราก็หายวุ่นวายได้อีกวิธีนึงก็คือทําใจเฉยได้ที่มันจะเฉยได้หรือเปล่านั่นถ้าเฉยได้ก็ไม่ต้องบริกรรม ถ้าเฉยไม่ได้ก็ต้องบริกรมรมเช่นเห็นใครเขาดา่าเราเนี่ใจสั่นขึ้นมาเนี้ยแล้วแสดงว่าไม่เฉยแล้วใช่ไหม mm hmm. ถ้าไม่เฉยจะให้มันเฉยก็ต้องใช้คําบริกรรมมันถึงจะเฉย mm hmm. อะ่างนั้นเขาสอนขั้นสูงเลขั้นสูงขั้นแบบว่าไม่ต้องควบคุมใจปล่อยให้ใจเป็นธรรมชาติแต่ธรรมชาติของใจมันต้องสัน่นพวกนี้เข้าใจไหมพออะไรมากระทบมันจะสัน่น mm hmm. แล้ว เหตุนี้การปฏิบัติแบบขั้นสูงนี้ไม่ไม่ได้ผลเพราะว่าเราผ่านเรายังไม่มีขั้นต่ํามาสนับสนุนเราต้องมีขั้นต่ำก่อนขั้นบริกรรมก่อนเราต้องมีสติก่อนพอเรามีสติแล้วเราถึงไปถึงไปขั้นสูงได้พอเรามีสติควบคุมใจได้เราก็ไม่ต้องบริกรรมเวลาใจสั่นก็บอกให้มันหยุดสั่งนี้ก็ไม่ต้องบริกรรมแต่ถ้าใจสั่นแล้วยังสั่งให้มันหยุดไม่ได้เราก็ต้องมาบริกรรมก่อน มาหยุดมันเพราะถ้าไม่บริกรรมมันจะไม่หยุดมันจะสั่นไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดแรงของมันไปเองแต่ถ้าเราบริกรรมไม่อย่างมากห้านาทีมันก็สงบแล้วอย่างนี้เขาสอนแบบขั้นสูงขั้นแบบคนที่มีสติแล้วแต่คนที่ไปเรียนมันเป็นคนขั้นสูงหรือขั้นต่ำก็ไม่ดูใช่ไหมพอเวลาเวลาไปเรียนเขาไม่มีการประเมินผลคนมาปฏิบัติใช่ไหมอย่างั้นมันก็อาจจะ ข้ามขั้นไปคือแทนที่จะอยู่อนุบาลไปเรียนชั้นมแล้ว เ, เรียนที่ก็สอบตกทุกทีเขาสอบคนหนึ่งเขาสอบผ่านแต่เราสอบตกเพราะเรามันควรจะอยู่ชั้นอนุบาลแล้วควรจะหัดบริกรรมสร้างสติก่อนเรายังไม่มีสติก่อนแต่พวกนั้นเขามีสติกันแล้วเขาไม่ต้องบริกรรมแล้วนี่มันต่างกันตรงนั้นคำถามจากที่สอนให้กาหนดรู้รู้จิตรู้อะไรแสดงพวกมีสติแล้ว รู้ว่าจิตโกรธก็หยุดมันได้รู้ว่าจิตเลิกก็หยุดมันได้อย่างงี้ยอพนี้แสดงว่าพวกที่มีสติแล้วแต่ถ้ารู้ว่าโกรธแล้วหยุดไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีสติก็ต้องกลับมาบริกรรมก่อนมาหัดบริกรรมก่อนถ้าบริกรรมเป็นพอโกรธปั๊ปบสองสามนาทีมันก็หายโกรธได้แต่บริกรรมไม่เป็นมันก็มันก็จะทําไม่เป็นอยากคิดว่าบริกรรมมันง่ายนะพูดมันง่ายบอกพูดโธพูดโ ท, ดโทนี้ แต่ถ้าไม่เคยมาหัดมันพุโทโธไม่ได้นะพุโทโธได้ไม่สองสามคำมันหายไปแล้วแต่ถ้าคอยบังคับมันพุโทโธไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะได้นานขึ้นนานขึ้นแล้วมันก็สามารถมาใช้หยุดความโล้ความโกรธได้ต่อไปเอ็นถ้ายังไม่มีกําลังสติไม่มีกําลังก็ต้องใช้พุโทโธนี้สร้างสติขึ้นมาเอ็นบางสํานักนี่เขาสอนระดับมัธยมให้กับเด็กอนุบาลเอ็มเหมือนก็ไปด้วยกันไม่ได้ เด็กอนุบาลนี้ต้องมาควบคุมมาสร้างสติให้ได้ก่อนต้องการต้องมีอะไรกํากับใจอย่าปล่อยให้ใจคิดพอคิดปรุงแต่งแล้วมันจะปรุงไปทางโลภโกรธหลงทันทีแล้วมันก็จะใจมันก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีคําถามจากคุณดาริยากราบนามัสการพระอาจารย์แม่ของดิฉันชอบกินเหล้ากินทุกวันจนติดพอติดแม่จะไม่มีสติ จะบ่นโน่นบ่นนี่นอนดึกทุกคืนบ่นทุกคนบ่นพ่อทำให้พ่อนอนที่บ้านไม่ได้พระอาจารย์ได้โปรดเมตตาแนะนำวิธีแก้ให้แม่เลิกกินเหล้าด้วยเถิดเจ้าค่ะหนูควรจะทำอย่างไรสาธุค่ะก็ซ่อนขวดเหล้าไว้เลยมีเห็นขวดเหล้าที่ไหนก็ไปซ่อนไม้หมดให้แม่ไปหาเองหาได้ก็กินได้หาไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ ก็แล้วไปเลยก็อยากจะซื้อก็ไปซื้อจะซื้อมาเดี๋ยวถ้าวางไว้ที่ไหนก็แค่เจอก็ซ่อนมันเอาไปโยนทิ้งให้หมดอย่าให้มันมีเหล้าในบ้านให้มันให้ให้หายากให้อยากจะดื่มมันต้องยากต้องอาจจะต้องออกไปแล้วอย่าไปสนับสนุนพอแม่บอกให้ไปซื้อเหล้าให้ไหนก็อย่าไปไม่ต้องพูดอะไรอย่าไปเถียงอย่าไปด่าแม่ไม่ไม่ถูกอย่าไปว่าแม่อย่าไปอะไรไม่ได้แต่เราใช้ การขัดเคืนแบบสงบได้คือเฉยดือด้อแบบสงบได้ดื้อแพ่งได้แม่ไม่บาปแม่บอยไปซื้อซื้อเล้าก็ก็รับฟังเฉยเฉยแล้วก็เราก็ไปทําอะไรของเราไปบอกกี่ครั้งก็เฉยไปอย่าไปตอบโต้อย่าไปพูดอะไรแม่จะด่าจะว่าไงก็อย่าไปดา่าอย่าไปตอบโต้อะไรเพราะคน คนที่หงวดหงิดเพราะอยากจะดื่มมันมันจะหงุดหงดมันจะต้องดา่าแน่ๆอย่าไปถือสามันเป็นช่วงที่เราจะต้องดัดดัดแม่ให้ให้เลิกให้ได้ต้องต้องใช้วิธีดัดแต่ถ้าท่านดิ้นไปเองก็ช่วยไม่ได้ก็ถือว่าเป็นกรรมท่านเราพยายามดึงท่านออกจากกองไฟท่านจะวิ่งกลับเข้าไปในกองไฟก็เป็นเรื่องของท่านแล้วล่ะเราทำได้ดีที่สุดเท่านี้แหละ มากกว่านี้ไม่ได้ล่ะจะไปจับท่านมัดไว้บนเตียงมันก็ไม่ดีใช่ไหมเดี๋ยวก็กลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งขึ้นมาลูกทอรพีต่อไปคำถามจากคุณไอซ์เบอรี่กราบเรียนถามพระอาจารย์สองข้อถือศีลห้าตลอดชีวิตสามารถไปพระนิพพานได้จริงๆหรือคะ เพราะสินห้ายังมีความปรารถนาในการครองคู่อยู่ข้อที่หนึ่งไม่ได้หรอกสินห้าก็เพียงแต่ปิดอบายได้เท่านั้นเองไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้ารักษาศินห้าได้ตลอดชีวิตไม่ไม่ไม่ขาดเลยตายไปนี้ไม่ต้องไปเป็นไปเป็นเปต เ, เป็นเดรัจฉานเป็นอะไรแต่ไปนิพผ่านไม่ได้นผพานยังต้องมีอีกสองข้อต้องมีสิต้องมีสมาธิต้องมีปัญญาแล้วต้องมีสิ 8, ่งแปดสิงแปดขึ้นไป คำถามข้อที่สองครับสมาธิอบรมปัญญาต่างจากปัญญาอบรมสมาธิยังไงคะเราสามารถใช้ปัญญาเพื่ออบรมให้จิตสงบได้ใช่ไหมคะคือปัญญามันมีหลายระดับนีระดับปัญญาที่สมาธิอบรมนี้เรียกว่าระดับวิปัสสนาซึ่งต่างกับปัญญาที่เราใช้ควบคุมใจให้หายฟุ้งซ่าน ปัญญาที่เราใช้ดับความฟุ้งซ่านก็ ป, นปัญญาพื้นฐานเช่นเรากังวลเกี่ยวกับลูกลูกไม่สบายกลัวลูกจะตายตอนนี้ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเราจะนั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้เพราะกลัวกังวลแต่เรื่องลูกแต่ถ้าเราเอาปัญญาที่พระเจ้าสอนว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาเรงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่าลูกเขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปตามเรื่องของเขาร่วมพ้นไม่ได้จะเวลาไหนเท่านั้นเองถ้าอาจจะเป็นเวลานี้ก็เป็นเวลาของเขาถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เราก็หายฟุ้งซ่านได้หายกังวลกับเขาได้เราก็กลับมาทำสมาธิได้อันนี้เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิแต่ปัญญาที่สมาธิอบรมนี้เป็นปัญญาที่เราจะไปฆ่ากิเลสที่มันนึ ก, กว่านี้ หรือกับกิเลสทั่วๆไปเช่นความยึดติดในร่างกายของเราเนี่ยมันถ้าไม่มีสมาธิมามันจะไม่มีกําลังเรารู้ว่าร่างกายเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เราไม่มีสมาธิเราจะไม่สามารถวกปล่อยวางร่างกายได้เพราะกิเลสมันจะคอยฉุดให้เราไปยึดไปติดอยู่กับร่างกายไปอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเหตุนี้การที่จะหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้นี้ต้องมีสมาธิขั้น อัปปนาจิตต้องรวมเป็นหนึ่งวางเฉยได้สักแต่ว่ารู้ได้อันนั้นน่ะมันถึงจะสามารถที่จะใช้ปัญญามาสอนใจว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราต้องปล่อยมันไปอันนี้เป็นคนละระดับกันมีความแรงต่างกันอันนี้ต้องมีสมาธิอบรมปัญญามา สมาธิสนับสนุนปัญญาถึงจะสามารถปล่อยวางร่างกายได้ของเราได้แต่ร่างกายของคนอื่นปล่อยง่ายกว่าไม่ต้องใช้ระดับสมาธิก็ได้เพียงแต่ระดับปัญญาให้รู้ว่าเขาต้องแก่ต้องเจ็บ ต, ต้องตายไปเป็นธรรมดาเพราะความผูกพันผูกมัดมันไม่เท่ากันความยึดติดในร่างกายอันนี้มันแรงกว่าความยึดติดในร่างกายของคนอื่นดังนั้นร่างกายของคนอื่นนี้เราอาจจะปล่อยได้ด้วยปัญญาระดับพื้นฐานแต่ ถ้าเราต้องกลปล่อยร่างกายของเราเนี่ยเราต้องใช้ระดับวิปัสสนาขึ้นไประดับที่ต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนถึงมันมีปัญญาสองแบบเนี่ยปัญญาแบบที่มาระงับความฟุ้งซ่านที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คน น, นคนนั้นคนนี้แต่อาจจะยังแต่ยังไม่มาปล่อยปัญหาที่ยังที่มีอยู่กับตัวเรา คนละปัญญากันคนละระดับกันเรียกว่าปัญญาระดับนปัสมธัธิระดับอบรมสมาธิกับปัญญาระดับวิมุตติระดับที่ทําให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี้ป็นคนระดับกันระดับวิมุตตินี้ต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนจำเป็นผู้อบรมคําถามจากคุณเรสแท็กครับกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ครับ ขอถามว่าหากเราทําบุญไปเรื่อยๆทําบ่อยๆทําทุกโอกาสที่สามารถทําได้จนจําไม่ได้ว่าทําบุญอันไหนไปบ้างเวลาตายไปจิตเราจําไม่ได้ว่าได้ทําบุญอะไรไปผลบุญนั้นยังจะกลับมาสนองดวงจิตของเราไหมครับกราบขอบพระคุณครับมันไม่ต้องจอําหละมันถูกฝังอยู่ใต้จิตสำนึกของเรา พอเวลาที่เราไม่มีเหตุการณ์อย่างอื่นมากรบมันมันก็จะโผล่ขึ้นมาเองเช่นเวลาเรานอนหลับนี่ยเราไม่มีเหตุการณ์ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายเหตุการณ์ที่เราได้ทําไว้มันที่ฝังอยู่ในใจมันก็จะโผล่ขึ้นมาเพราะไม่มีอะไรไปทับมันไว้เน่แต่เวลาเราเตือนนี่เรามีเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาในใจตลอดเวลาเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้มันก็มาทับกับเหตุการณ์ที่เราได้ทําไว้ก็เลยทําให้เราคิดว่าเราลืมมัน ใช่เราอาจจะลืมมันแต่มันไม่ลืมเราเราลืมมันแต่ไม่ไม่ลืมเราเพราะมันยังอยู่กับเราอยู่มันยังอยู่ในใจเราอยู่นี่เวลาที่เรานอนหลับเราจึงฝันดีฝันร้ายกันอยู่เพราะมันไม่ลืมเราเราลืมเราอาจจะลืมมันแต่มันไม่ลืมเราเข้าใจป่ะนี่ยยัไม่ต้องกลัวบุญที่เราทำมันมันไม่ลืมเราหรอกเราลืมมันบาวยิ่งบาปที่เราชอบลืมมันเลยใช่ไหม ทำไปปุ๊บได้ลืมนะออลืมเรก็ช่ชอบเราไม่เคยทําบาปมา่ก่อนเนี่ยมันไม่ลืมหรอกเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาเองคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับกับนมัสการครับพระอาจารย์บางคนนั่งสมาธินานๆใจยังไม่สงบไม่นิ่งแต่บางคนเขานั่งปับ๊บนิ่งเงียบสงบเข้าง่ายออกง่าย กายเบาใจเบาไม่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้าเพราะอะไรครับพระอาจารย์ร ส, สาธุครับเพราะสติไเพราะสติกนที่มีสติมีนั่งปุ๊บควบคุมจิตให้อยู่กับเรื่องเดียวได้ให้อยู่กับลมก็อยู่กับลมอย่างเดียวไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่วิ่งไปวิ่งมาพูดง่ายๆอยู่กับเรื่องเดียวมันก็สงบได้ง่ายบางคนนั่งปุ๊บสองคาไปแล้วพุโทโธสองคำไปหาขนมนะไปหาแฟนนะไปหาเรื่องคนนั้นคนนี้แล้ อ่านั่นหละถ้านั่งงั้นนั่งกี่ชั่วโมงก็ไม่มีวันสงบยั้นการนั่งจะสงบช้าสงบเร็วไม่ได้อยู่ที่เวลาอยู่ที่สติงั้นถ้านั่งแล้วไม่ไม่สงบก็แสดงว่าไม่มีสติพอก็ต้องฝึกสติก่อนมานั่งอย่ามานั่งตอนที่มันอย่ามาฝึกสติตอนนั่งมันไม่พอเหมือนกับอย่ามาทําการบ้านตอนเข้าห้องสอบต้องไปทําการบ้านก่อนเข้าห้องสอบต้องเตรียมตัวไว้ก่อน ดูไว้ก่อนฝึกไว้ก่อนฝึก ส, สติไว้ก่อนแล้วพอเวลามานั่งจะได้ทําใจให้สงบได้เราฝึก ส, สติได้ทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเนี่ยพูดโธได้ตลอดทำแล้วไม่พูดโธกันแต่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดได้ตลอดชอบคิดกันแค่นี้แหละของง่ายๆคําคถามจากคุณสุดารัตน์กราบพระอาจารย์เจ้าค่ะเวลานั่งสมาธิจิตมันชอบหลุด ไปคิดอย่างอื่นพอได้สติดึงกลับมาพอเผลอก็หลุดไปอีกอยากจะทราบว่าบุญเกิดกับเราไหมเจ้าค่ะก็ยังไม่เกิดผลนลบุญก็คือผล <c oughs> บุญก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบมันยังไม่เกิดนัตติสันติพลังสุขขังไม่เกิดสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มียังไม่ปรากฏขึ้นมามันมีแต่ความฟุ้งซ่านแล้วก็จะแผ่จะอุทิศบุญส่วนนี้กับคนที่เขาตายไปแล้วก็จะเอา ผมใช้ความฟุ้งซ่างไปให้เขาไม่เกิดอะยังไม่เกิดคุณกิติยาครับเพื่อนขอยืมเงินไปหมุนธุรกิจจะปฏิเสธอย่างไรดีครับรปะว่าเพื่อนก็เพื่อนเงินก็เงิ น, งนคนละเรื่องกันอย่ามาปนกันถ้าเงินก็ต้องไปติดต่อแบบธนาคารอยากจะยืมเงินก้าวาที่ดินมาวางไว้ ให้ยืมถ้ามีเงินจะให้ยืมก็ให้แต่ต้องมีหลักประกันว่าจะต้องเอามาคืนแต่จะเอาคำว่าเพื่อนมาเป็นหลักประกันไม่ได้พูดกันตรงไปตรงมาเลยจะได้ไม่ต้องม า, าเสียใจในภายหลังบางทีเกงอกเกงใจกันเขาทำความดีให้เราห้าสิบาทแล้วก็มาขอกู้เราห้าพันนี้ก็เกงใจเขาละเพราะว่าถ้าไม่ให้เขาก็เหมือนกันเนรคุณมันไม่ถูกหรอกเขามาทําช่วยเราแค่50สิบาทแล้วก็มาทวงบุญคุณ 5,000 ันบาทนี้มันไม่ถูก แล้วก็คืนเข้าไปแค่ห้าสิบก็แล้วกันแต่เขาเคยช่วยเราห้าสิบแล้วก็คืนเข้าไปห้าสิบแต่ยาวห้าสิบนี้มาเป็นตัวหลักให้เราไปไปช่วยเขาห้าพันห้าหมื่นนี่เราอย่าไปทำใช่ไหมเพราะบ่าคนบางคนก็ทําอย่างนี้เขาหว่านพืชหวังผลเขามาแกล้งทําดีกับเราให้เราตายใจพอเราตายใจแล้วที่ก็อยากมาพี่ขอยืมเงินหน่อยเลยเรื่องข้าวนี้นใช่ นั่นแหละใช่เรืนองตอบเลยนี่เราต้องรู้จักแยกแยะต้องแยกแยะนะว่าเพื่อนก็เพื่อนเรื่องเงินก็เงินคนละเรื่องกันถ้าเรื่องเงินก็ต้องว่าไปตามหลักของการเงินการทองการธนาคารถ้าเรื่องเพื่อนก็ไม่เว้นหิวข้าวก็เลี้ยงกันได้ถ้าหิวข้าวอะไรนี้ช่วยเรื่องปัจจัยสี่ช่วยได้แถ้าจะมาให้เอากูน้นี่เอาขอให้เราไปปวดหนี้ให้เขานี่คนละเรื่องกันแล้ว ต้องกล้าพูดถ้าไม่กล้าพูด ก, ก็ก็ต้องเลือกเอาจะยอมเสียเพื่อนหรือเสียเงินอนะ่ะถ้ารักเพื่อนก็ยอมเสียเงินไปเพอร้อยทั้งร้อยถ้ามายืมแล้วไม่มีวันคืนะถ้าไม่มีหลักทรัพย์ให้ไม่มีหลักประกันไม่มีใครก็คืนเรอะถ้าก็มีหลักประกันก็ไปอำมายืมเรอกก็ไปยืมธนาคารใช่ไหมจากคุณสุจิตราครับคําว่าอยากจนหายอยาก คำว่าหายอยากนี้คือการตัดใจเป็นปัญญาหรือเป็นอดทนครับมันไม่มีหายอยากหรอกอยากย่งมันก็ไม่หายอยากจะหายอยากก็ต่อเมื่อไม่ไ ม, ไม่ทําตามความอยากแท่านั้นเนะี่ยมันถึงจะหายอยากถ้ายังอยากอยู่มันไม่มีวันหายอยากเพียงแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้มันก็อาจจะพักตัวไปชั่วคราวเดี๋ยวพอมีช่องโผล่ขึ้นมามีโอกาสจะได้มันก็อยากขึ้นมาใหม่ทันทีแต่ถ้าแต่ถ้าเห็นว่าความอยากไม่ดีเนะี่ยมันถึงจะเลิกได้ ต้องเห็นว่ามันเป็นโทษแต่ยังไม่เห็นความอยากเป็นโทษนั่นไม่มีวันที่จะเลิกมันได้ถึงแม้จะฝืนกี่ครั้งก็ฝืนได้แต่พอมีช่องเมื่อไหร่มันความอยากมันก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าลูกการทําตามความอยากนี้เหมือนกับการไปซื้อภพชาติซื้อความทุกข์มันก็จะไม่ไม่กล้าอยากจนไปเองต้องเห็นด้วยปัญญามันถึงเราเลิกความอยากได้แม้แต่สติก็เลิกมันไม่ได้พอมันอยากเราก็พูดโท้พูดโท้มันก็หยุดไปชั่วคราว พอมันเดี๋ยวไปเห็นใหม่มันก็อยากขึ้นมาใหม่แต่ถ้ามันเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งที่อยากก็เป็นทุกข์ตัวอยากเองก็ทำให้เราทุกข์เห็นอยากให้มันเกิดขึ้นมาดีกว่ามันจะไม่เกิดก็ต่อเมื่อเราไม่ไปทำตามความอยากคำถามจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามครับกราบนมัสการครับพระอาจารย์ที่พระอาจารย์บอกว่า ศีลห้าปิดอบายได้อันนี้ผมเข้าใจครับแต่ผมอยากทราบว่าก็บรรลุโสดาบันได้เช่นกันใช่ไหมครับถึงจะมีครอบครัวหรือไม่ก็ตามสาธุครับศีลห้าของคนธรรมดากับของพระโสดาบันต่างกันเพราะศีลห้าของบุโทชนไม่แน่ไงมันดีคือดีมีใครมีโอกาสที่จะทำบาปจะได้รวยหรือจะได้สิ่งที่เรารักเราอยากได้ก็อาจจะ เใจจากการรักษาีิน้าไปเอาสิ่งที่เราอยากได้ก็ได้สำหรับภูชุชนแต่สาหรับพระโสดาบันนี้ท่านไม่เอาทั้งนั้นน่ะท่านเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งที่ได้มาไม่ค้มกับสิ่งที่ต้องเสียไปคือสินสินนี้มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เราให้มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านให้มาแลกกับการมีสินนี้มันก็ ศีลนี่มีคุณค่ามากกว่าเพราะศีลจะทําให้เราไม่ต้องไปเกิดในอบายแต่ถ้าเข้ามาลราบอกว่าจาเอาเงินมันร้อยล้านพันล้านแต่ต้องโกงหน่อยนะอออย่างเงี้ยถ้าเป็นพระโวสดาบันก็ไม่เอาแต่ถ้าเป็นปุถุชนก็ไม่แน่ไม่แน่ถ้ามันน้อยๆก็อาจจะรักนะเอาถ้ามาแค่ร้อยสองร้อยมาลออก็ไม่เอาได้แต่พันสองพันล้านนี่มันเหแบบคิดหนักหน่อยนะอคําถามครับ กราบนมัสการพระอาจารย์การที่ปล่อยปลาชนิดต่างๆเราต้องงดทานปลาชนิดนั้นด้วยใช่หรือเปล่าครับไม่เกี่ยวกันหรอกปล่อยปลาก็ปล่อยปลากินปลาก็กินปลาถ้าปลาที่เรากินมันตายแล้วเราไม่ได้ไปฆ่ามันเองหรือไปสั่งให้เขาฆ่าให้เราก็ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรคนละเรื่องกันคําถามจากคุณเด่นกราบนมัสการพระอาจารย์ครับการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ จะได้ผลบุญเพียงพอที่จะอุทิศให้ผู้อื่นได้ไหมครับมีหลักการเลือกบทสวดมนต์ไหมครับไม่ได้ละข้อของพวกนี้มันยังไม่เกิดผลเน่ยสวดมนต์ไปเท่าไหร่มันก็ยังไม่สงบอ่ะรักษาศีลก็แบบล้มลุกคลุกคลานสามวันดีสี่วันไข้่งั้นทำบุญทำทานเนี่ยง่ายที่สุดได้บุญทันทีไม่เอากันเสียดายเงินยังไงก็ไม่รู้จะทำบุญแบบไม่ต้องเสียเงินกันทั้งนั้น แล้วมีร้อยสองร้อยท่านี่จะไปซื้อเครื่องสำอางหรือซื้อขนมมากินก็ไปทําบุญเนี่ยพอทําแล้วมันก็เกิดบุญขึ้นมาแล้วละ่ะเนี่ยสามารถอุทิศได้แล้วแล้วบุญอุทิศก็มันต้องไ ม, ม่ไม่ต้องมากเพราะอุทิศไม่ได้มากเพราะเป็นเงินให้ขอทานเนี่ยเป็นบุญให้ขอทานให้ให้ไม่ได้มากอยู่แล้วฉะนั้นไม่ต้องเอาบุญระดับเอะระดับเอเพชรนินจินดาไปไปไปให้ขอทานหรอกอขอทานมันไม่รู้จะไปทําอะไร ได้เพชรมามันก็ไม่รู้ไปทำเลยไปไไปปเดี๋ยวไปแรกไปก็ถูกเขาหลอกเองกะอย่ามางั้นมันมันคนละเรื่องกันถ้าอยากจะอุทิศบุญไปทําบุญเถิดร้อยสองร้อยก็ได้บุญแล้วอย่ามานั่งสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแล้วจะอุทิศบุญไปเพราะระดับเดานี้มันยังไม่ได้ผลน่ะคําถามจากคุณสมเกียรติครับอยากถามพระอาจารย์ครับดวงจิตจะมีความรู้สึกเจ็บไหมครับ อย่างกรณีคนเกิดอุบัติเหตุทำรถยนต์เสียชีวิตแล้วไปเข้าฝันพ่อแม่ว่าตัวเขาเจ็บปวดทรมานมากพระอาจารย์ช่วยให้ความกระจ่างด้วยครับได้ยังก็มันบันทึกไวเ้เวลานอนหลับฝันฝันว่าเจ็บได้นะเวลาฝันในฝันว่าเจ็บฝันว่าสุขได้ไหนก็ตัวจิตมันเป็นตัวกรุงแต่งขึ้นมาสร้างขึ้นมาเองสร้างความรู้สึกเหล่านี้ขึ้นมาในจิตเองขนาดไม่ตายยังเจ็บเลยใช่ไหมอ่ บางทีเราตัวเราไม่เจ็บเห็นคนเขาฉีดย า, าบางทีเัาไปเจ็บแทนเขาเลยใช่ไหมยิ่งคนที่เรารักยิงลูกเรานี้เวลาถูกหมอฉีดยานี่โอ้เจ็บแทนลูกแล้วไะมจิตมันเจ็บได้ตลอดเวลามีร่างกายหรือไม่มีร่างกายมันอยู่ที่ความคิดปรุงแต่งของมันมม อ, อ่าคํําคาถามจากคุณเบนนี่ครับ อยากกราบถามว่าทําอย่างไรจึงเป็นการลดวิบากกรรมได้บ้างครับก็อยู่เฉยๆไงอย่าพูดอย่าทำอะไรนะวันวันหนึ่งก็ทํางานทําการทําหน้าที่กลับมาบ้านก็กินข้าวหลับนอนไหว้พระสวดมนต์ไปอันนี้ก็งดกรรมไปได้เยอะละอย่าไปเที่ยวไปเที่ยวก็เป็นการสร้างกรรมแบบหนึ่งไปเดืนซัวราไปดูหนังฟังเพลงการกระทาต่างๆอันนี้เรียกว่ากรรมทั้งนั้นอ่ะจิงๆกรรมมันมีสามอย่าง กรรดีกรรไม่ดีกับกรรมกลางๆกรรมกลางๆก็ไม่ดีตรงที่มันก็ทำให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่มีผลไม่มีผลสุขหรือทุกข์แต่มันทำให้เราต้องยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เหตเราไปดูหนังนี้มันก็ไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนแต่ก็ไม่ได้ไปทำให้ใครเขาใครเขาสบายเขาสุขจากการไปดูหนังของเราแต่การดูหนังของเรามันก็ทาให้เราติดเราก็อยากจะกลับมาดู ออล่างกายตายไปก็กลับมาหาร่างกายใหม่เพื่อจะได้ดูหนังใหม่เพีงแต่ว่าเวลาไปรอรับร่างกายไม่ต้องไปฝันร้ายหรือฝันดีไม่ต้องไปฝันเท่านั้นเองหมดแล้วบ้างหมดพอดีนะเวลาก็หมดมีใครอยากจะถามไหมอยากอัปเดตเหรอเอาใหม่เอาใหม่ไป Up date. Up date. อัปเดตอัปเดตปิดท้ายรายการอยาก กลับขอพระคุณพระอาจารย์ค่ะเพราะเมื่อกี้พระอาจารย์เทศก็เป็นเด็กอนุบาลค่ะไปมาหลายสำนักไปมาจนแก่เท่าเพิ่งมาได้เริ่มเนี่ยฝึกสติแล้วทุกอย่างก็ดีขึ้นค่ะส่วนใหญ่ชอบออไปเรียนชั้นสูงอะไรนั้ น, นบางทีบางพวกก็บ้าพี่ทำก็ไปศึกษาพี่ทำก็ท่านั้นแหละศึกษาไปมันก็เอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้เพรา ะ, ะตัวเองยังไม่มีกําลังที่จะประชัย เราต้องมาสร้างกำลังก่อนกำลังสำคัญก็คือสติกลับมาฝึกสติให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวนี้ตื่นมาก็ลืมตาก็พุทโธได้ทันทีก็ค่ะเป็นยากตรงไหนเล ย, เยไม่ยากแต่แรกแรกยากจริงๆมันชอบลืมไปเลยเลยแรกแรกยากจริงๆฉั้นก่อนตื่นขึ้นมาต้องถามเราต้องทำอะไรว่าวันนี้พุทธโท<ม>นะออเริ่มต้นถ้าถ้าเราเริ่มต้นแต่พอตื่นขึ้นมาเราพุทโธได้น่า จ, จะไปได้ทั้งวันถึงแม้อาจจะลืมบ้างไม่ลืมบ้างก็อย่างน้อยมันก็ยังมีอะไร แต่ถ้าเริ่มต้นตอนเช้าไม่คิดถึงว่าพุทโธมันจะเริ่อไปเลยมันจะไปเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปเลยคกันลองสร้างหลักตอนเช้าว่าตั้พอลืมตาขึ้นมาเราถามว่าต้องทําอะไรก่อนพุทโธเอ่าแตนี้ไม่ต้องถามเลยค่ะตื่นมาก็พุทโธ ด, ดีสาธุถ้าทําได้ก็ดีใจด้วยค่ะแล้วพระอาจารย์ฮะสองสามอาทิตย์เนี้ค่ะนอนนอนไม่หลับแต่ถ้านั่งสมาธิพุทโธไปเรื่อยๆก็ไม่รู้หลับไปตอนไหนแต่พอตื่นขึ้นมาก็ยังนั่งอยู่อแล้วก็ ันมันช่วยหยุดความคิดเนี่ยที่มันนอนไม่หลับเพราะเราคิดมากค่ะไม่แต่ก่อนนอนสมาธิฮะหาเหตุให้ตัวเองว่าปวดหลังนอนสมาธิอ่าเดี๋ยวนี้นั่งนั่งได้นานๆยาวๆไดมันชอบหาเหตุเลยกิเลสใช่ค่ะกลับขอพระคุณพระอาจารย์ค่ะได้สาธุสาธุค่ะแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ